ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีนงภาวนาอันนี้เราก็กำลังรอครับผู้ที่จะเข้ามาร่วมวันนี้เด็กชายเลนมาก่อนเลยว่า เล่นพร้อมไเล่นพร้อมก้ว่ามนเลยพร้อมว่าเลยเล่นกับกาหลวงพ่อก่อนกราบพ่อจันต่อลูกโอเคกราบหาไปสองอาทิตโอเคละตุสมาสมบูรณสักน้าโมตันสับพวเขาต้องกของตุสมาสมบูรณ์้องมือด้สักหน้ตันสับพวกเขาต้ารตุสมาสมบูรณ์สักแล้วความมั่งสมบจรณ์เพราะว่าพุทงคามต่างขัวเจนี ตีว si ่ากนตัวพักก็วามาทานมาสอนิกใหม่รู้าษาตวกตั้งสังนามาวิิพิโตก่าอหรสัมสัมตวทวิชาแต่ก็น่าสนุสก่อตัวกับวินตัวสมาตัริสัตาเทวมุนุตักก่าตัวเขาตัวพักว่าทมกอากก็เอดอปนะยอูกับจับิจา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 เพราะฉะนั้นก็เลยจอเรืองต่างดูแคลงบุญดักกิตต่างดูคับตาดีตางดูมุกเส้นดที่กับพเจ้าได้ก็ทแล้วพาพระเจ้าขอุที่สื่อมกุศลนั้แกมนหุนช่วยช่วสกก็ลโลกให้หมดทางฝั่งามนุษเดสัตทั้งหลาย้เพื่อถูกแกติดใจด้วยแกํามหมดถึงสิตรงอยามีเป็นไป อย่าไล่ยาแบบติดเพื่อการตอนเปิดชอดตรงเนี่ยคุลงความสมบเกี่ยกับตัวเเป็นสตางค์เวลาอภิเษกาจะองสุขีอาตานางปริห่ารกถูกเรามีความแก่ด้วยความแก่เป็นรราดาจอความแก่ไม่ไ้เรามีเานติดให้ไปทำมันเคนทำจิตมาไปแม่ด้วความายเป็นธรรมาเจคนไปไม่ได้เราจะต้องรับรู้ ของอื่แต่ทั้งพวกเราจะต้องรับผลของตํานั้นเ่อกำเนิดของของเราจะต้องรับผลชอกรรมนั้นเมี่กเเป็เนกําหนึเรามีกรรเป็นอภัยเรามีกรรเป็นที่เพื่อนเพื่เราทประแต่ว่าที่หลุดเชื่อเราต้องรับผโอเจมากเลยอะไรอีกโลกอะไรอีกครับครับผมคนเรียนันหนังเงินระดูกเงินกระดูหัวใจเราเผิดตายปอเสียจอาหรอาหากับ แค่วังททานเลยนะทาดีแล้วเรลืองนัเจริแล้วดีแล้วเลือกทำเด็กทาบุคลากรท่อะไรทำทามังกรทำทำมุกยของทำแต่งเหอะโอเคากเก่งมาไม่มีเด็กคนไหนทาท่องได้ขนาดนี้นะโอ้ขอบคุณครับลูกอ่ะขอบคุณครับพเจ้าลูกผู้ดังๆลูก ต้องท่องให้ได้ทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับท่องไต้องรักษาไว้ท่องไปจนวันตายเลยนะดูไว้ครับคท้าดึกเกินไปอะไรนะอะไรถ้าเกินไปถ้ะถ้าดึกเกินไปแล้วเจ้าค่ะก็มันเอาตอนหัวค่ำเสียทำตอนหัวค่ำเนี่ยคือเวลาเขาจะไปโรงเรียนนะเจ้าค่ะ ถ้าดึกเกินไปก็จะรีบๆนอนไงก็เลยถามว่าถ้าดึกเกินไปละครับก็เอาตอนกินข้าวเสร็จก็ท่องได้นะเออโอเคนะต้องรอเข้านอนก่อนนะโอเคะโอเคนะครับครับแล้วคอนเฟสตั้งรินด้วยค่ะอ่ะน้โมค่ะน้โมอ่เลยไม่ต้องเฉยไม่ต้องเฉยไม่ต้องเสฉยลูกอ่ะหนึ่งสองจะเอาอามาท่องด้วย ตัวอ่อนหมดเลยค่ะยังใหม่ยังใหม่ตอนน้องเรียนไปกลับอาจารย์น้องเรียนดังเก่งอยู่เลยพูดแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยนะเอามาอพร้อมกันอันดึงสองซ้ำนะโมเถิดด้วยครับอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบพระอาจายท่ายแข็งแรงนะเจ้าค่ะจกลับลากลับลาหลวงพ่อก่อนลูกเร็วเด่นเดี๋ยวพึ่งกลับลาหลวงพ่อก่อนเร็วๆนะครับกับพระพุทธก่อเราเอบพระพุทธก่อนเรับพรพกร็บพระพุทธก่อนร ประสงฆ์ค่ะขอบคุณพระเจ้าขอพระพุทธธรรมพระสง์จงคุ้มครองหนูนะดังเลนพรูพุทธธรรมงคุ้มครองดังเลนนะลูกทำรูปหัวใจได้พระอาจารย์ด้วยนะไหนทำรูปหัวใจทาไงนะทำรูปัใจพระอาจารย์ดีมากค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์เตรีกันอาทิตย์หน้านะถ้าไม่ติดอไรก็เข้ามานะั ถัาผมก่อนเล่นถัาผมก่อนค่ะผมค่ะอาจารย์ค่ะโอเคไปที่จมัมประแจที่ต่อนี่นุ่นเด็วแล้วเนี่ยเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่นมาสัารพระอาจารย์ก็น่าจะสักสี่ปีได้ครับอ่มตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้สิบหกครับมาตั้งแต่สิบสองนะใช่ครับอืมโอเคครับ ส่งกันบ้านครับเรามมีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นคําแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องลัดพากจากของหลักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกเป็นดานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีการเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนัน้นัน้นเสียไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวั น, ท, วนทุกวันเถอดยังไม่จะรอดตายเลยนะนครับวันนี้เป็นความรู้ที่จะรักษาใจน้อยครับให้ทุกนะทําให้ใจเราสงบครับยอมรับอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับมันเป็นเรื่องกดแทงกรรมไปครับ ร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขน <10. S 2> และปันหนังเนื้อเอนกระดูกเนื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับหัมเพลยไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่อในสมองศรีรษะน้ําดีน้าเสลต์น้ําเหลืองน้า เ, เ, เลือดน้ําำหอย น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลี่น้ำดีเยี่นในสมองสึกษนอ่านเก่าอาหารใหม่แส้นน้อยแท้ใหญ่ปอดไตตับหัวใจ ม้ามแม้ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหังนปันเล็บขนผมอ่สวยงามไหมนะนี่ไม่สวยงามครับมีตัวตนไหมไม่มีครับทำมาจากอะไรดินน้ำรถไฟครับถ้าวันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่อะไรดินน้ำรถไฟครับนี่คือร่างกายของเรานะอย่าไปยึดติด จะไปถื่เป็นตัวเราของเราเป็นอของใช้ชั่วคราวครับ<อ>วันหนึ่งก็ต้องคืนให้กับธรรมชาติไปอะไรนี้เป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลงไฟถ้าเราไม่ลืไม่เพ้อ เ, เราจะไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะไม่ทุกข์ในเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครัเพราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดจำไว้นะครับโอเค okay. มีคําถามอะไรไหมไม่มีแล้วครับโ okay. อเคไปที่น้องทิมต่อบครับขอบคุณพระเจ้าครับน้องทิมจะสวยอะไรให้ฟังเมื่อคืนนี้ขอบธรรมสการ์ครับอาจารย์แล้วตัดสมัครใจแล้วตัดสมัครใจไม่บังครับ อาทิต น, นี้ก็นั่งได้ห้าวันครับวันหนึ่งลืมแล้วก็อีกวันนึงเป็นเรื่กัมดาวไหลก็เลยไม่ได้นั่งครับนะนั่งได้เท่ากี่นาทีสี่สิบนาทีครึ่งครับสีนาทีครึ่งมาเหรอครับครับอืมตังเบาะยังจะเพิ่มไปได้ด้วยหเปล่าครับครน่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับอ่เอาเาเนาะเอาให้เท่าไห น, นลองเพิพ่มเป็นสิบสี่นาทีดูครับ เราออตามพี่จะมากระเจ้ตีให้ทันนะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูค่ะพระาจารไม่เป็นไรก็ต้องตั้งเป้าไว้้าไม่ตั้งเป้ามันก็ไม่มีอะไรที่จะมองไปข้างหน้าค่ะอันนี้ทำมากก็ยิ่งได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลนะที่ทำาไรแต่ไม่เกิดโทษมีแต่ประโยชน์คับ นั่งเฉยๆมันจะมีโทษตรงไห <Okay. S 2> นั่งเล่นเกมมักับมีโทษกับสายตาได้มากกว่า <c oughs> นั่งสมาี่นั่งหลับตาสบายจะตายไหมไม่นั่งกันโอเคนะไม่มีอะไรจะสวดโชว์บ้างไหม <c oughs> ไม่มีครับไม่มีล เคินเขิค่ะอาจารย์เดี๋ยวเขาไปฝึกก่อนค่ะแต่เขาสวดได้อยู่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวว่าจะมมาฟุต ลองสลับบทสวดดัวค่ะอาจจะให้ลองทุกควทุกวันนี้เขาจะสวดตั้งแต่กราบพระจนถึงนโมทศะแล้วก็ไตสรณะอนะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สวดจนจบอิพิโซเดี๋ยวอาจจะลองให้เาลองสลับเดี๋ยวอาจจะให้เขาลองสลับสวดไอ้ บ, บ, บทบ ท, ที่เป็นดูกายฐาสิบสองดค่ะูอา่ยมะชค่ะกสัอาวนมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ค่ะก็จะสลับดคู้อา่มคุณุประโยชน์ค่ะก็จะสลับดค่ะอาจารย์ก็จะ ทีมกับเรียนกับเรียนพาจารย์เอ่อวันที่อาทิตย์น่ะอีกสองอาทิตย์เสองอาทิตย์จะเข้าไม่ได้ครับอะไรเนี่ยไปเที่ยวครับอ่าไปเที่ยวเหรอคจะพาไปญี่ปุ่นค่ะพระาจารย์เดี๋ยวไปวันพุทธหน้าบินขืนพุทธหน้าแล้วก็กลับวันพฤหัสอีกพฤหัสหนึ่งค่ะอ่าีค่ะก็เลยจะขัดขัดเรียนไว้สองอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ให้พักผอนยอนใจบ้าง ค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปหลายปีแล้วค่ะโะเคขอให้อาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าอ่ะถือถือค่เที่ให้สนุงง่าขอบคุณเจ้าพ่อพระอาจารย์จะได้กลับมาทุกปีค่ะขอบคุณค่ะโอเคคุณออมยินมีไหมออมงานวันสการค่ะงานสงการไปเที่ยวไหนไหม กลับบุญค่ะพระอาจารย์ทำบ้านนะทับบ้านทําบุญหรืออยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะที่ว่าไม่มีธรรมเนียมไปว่าทําบุญวันสงการก็มีค่ะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่เราค่ะอ่าก็อยู่ที่พี่ก็ทําบ่อยอยู่แล้วอืมกลับบ้านก็เดี๋ยวนั่งภาวนาที่บ้านกับอาจารย์อพอดีแฟนไม่ได้กลับด้วยค่ะอ่าใครก็กลับบ้านเขาเลย เป็นทำงานค่ะอ๋อเขาไม่หยุดเลยหยุดค่ะแต่ว่าคือเขาเป็นเอนจิเนียร์ก็จะแบบออมีพีเอมเครื่องอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็อยู่เวลนี้แหละออค่ะ ป, ประมาณนั้นค่ะอืมเออหยุดได้ยกี่วันนะอ่ะออหยุดประมาณ เปิดีทีวันจันน่ะค่ะพระอาจารย์หยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่จะถึงหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดอีกทีวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วสิบวันวันีนใช่ค่ะอะันดี้จะได้พักผ่อนจะได้ไเอาเวลามาทำประโยชน์ทางธามั่งกันอย่างดีนะก็ะวางแผนไว้ว่าก็จะภาวนาไปด้วยอื หายยากในเวลาที่ยังไม่เวลาว่างมันต้องไปทางานหนึ่งเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าดีกว่าไปเที่ยวเที่ยวแล้วมันก็หมดไปเวลาก็ผ่านไปจิตใจก็เหมือนเดิมไปเที่ยวไม่ได้ธรรมะกลับมาไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาก็เป็นช่วงที่ดีที่จะทําให้ใจเราสงบได้ง่ายใช่ไหมคะพระอาจารย์นั่นแหละก็ต้องมีเวลาว่างอย่าพัลลคิดใช้ ง, งาน ว่าจะทําใจให้ใช่หรือไต้องมีสติคอยควบคุมใจแม่คิดถ้าทํางานมันก็ต้องคิดถ้าไม่ทํางานก็ไม่ต้องคิดก็ดีตอนที่ทํางานอยู่ก็เวลาทํางานมันก็จะแบบเจอหลายๆเหตุการณ์ก็จําคําที่พระอาจารย์บอกได้ว่าเอออย่าไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พยายามเอามาใช้ค่ะอันนี้ผลแม่ะ ก็ได้ผลค่ะรื้ไว้แล้ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้นะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะเาคุณตายใครชื่อแต่ลนันสอนตัวการครับพรอาจารย์ เข้ามารับฟังธรรมค่ะพอาจารย์ฟังพรอาจารย์สอนเด็กๆไปก็สอนตัวเองไปละคะ่ะความสูงก็ฝ่ยลหลังแล้วกันเด็กเหมือนกันนะใช่ค่ะก็เอาเก็บกลับมาคิดอีกเวลาเราหลุลไปแล้วก็เหมือนกับเริ่มไปตลอดละคะ่ะพระอาจารย์ยมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปฟังธรรมที่น่ากุฏิแต่ก็เอาคำสอนพระอาจารย์มาแล้วลึกถึง เสมอค่ะพระอาจารย์อย่าเรล่นความแก่เจ็บตายนะของอานี้ชอบเลยมันนะเจ้าค่ะอืต้องเตรียมแก่เตรียมเจ็บเตรียมตายอนะันนี้ไม่ทุกเวลาเกิดเราเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าเตรียมตัวเตรียมใจแนละ้วมันจะไม่ทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย์จะเอาคําสอนพระอาจารย์มาเตือนสติเตือนอยู่ตลอดเวลาอ่ะที่เพิ่งทางใจธรรมะที่เพิ่งทางใจ ใช่ค่ะพระอาจารย์ย่อมหนึง่งต้องเข้ามาฟังไม่งั้นถ้าไม่ถ้าไม่ได้ฟังคําสั่งสอนของพระอาจารย์มันก็เหมือนกับมันก็มีแบบลืมหลงลืมไปตลอดเหมือนกันนะพระอาจารย์มันก็ถูกกีเลยสอนนะใช่ไหมังนี่นกีเรีเป็นคเส็บอยู่ในใจอะไย่างนี่เอาไอ้นู่นดีไหมไอ้นี่ดีไห ม, ไหไหมใช่ค่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เดินมาตั้งไกลแต่ทําไมมันถอยหลังมันจะอืม อันไม่ได้บอกอ้นี่ก็ดีอันนี่ก็ดีอันนั่นก็สุขไอ้นี่ก็สุขอืมใช่ค่ ะ, ะค่ะก็ะเลยต้องรับฟังทำตามพระอาจารย์เรื่อยๆและจะไม่ได้ไปกล่าวพระอาจารย์ที่ก็ติดแต่ก็ความสอนก็อยู่ในใจอยู่ตลอดนะคะพระอาจารย์อย่างคิดยอนเปลี่ยนเวลาเกิว่าอะไรดีวมไม่ดีหรออะไรสุกไม่สุกมันทุกข์ใช่ค่ะอืมมีเยอะๆยิ่งทุกข์ค่ะพระอาจารย์อ ยมเนี่ตอนแรกคิดว่าเออเดี๋ยวก็ปล่อยมือได้เดี๋ยวก็ปล่อยมือว่าตอนนี้กลายเป็นกำกำไปทั้งหมดเลยอะกำกำไม่หลุดไป<ห>่ไม่ปล่อยนะใช่ค่ะยิ่งมีอะไรที่มันเยอะเยอะมากๆโยมก็ยิ่งยิงรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแบบพอแล้วอันนี้พอแล้วพอแล้วจริง<ป>ๆว่าจ๊ะไปเต้นตัวเองมาเลยมาตัวเปล่าๆเดี๋ยวก็ไปตัวเปล่าๆนะใช่ค่ะไม่มีนนอะติดตัวไปเลยไม้แต่ชิ้นเดียว เจ้าค่ะพระอาจารย์อาได้แต่มุนแต่บาปไปใช่ไหมค่ะโอเคสัาธุ <Okay. S 2> าพระอาจารย์ขอลาผ่าแข็งแรงค่ะย่าสาธุอ่านิษาเชิญต่อไปนิษาน้อมก่าในวัฏสงคาราพระอาจารย์ก็ลูกก็ไม่ไปไหนค่ะอยู่บ้านไม่มีไม่มี โปรเจกต์ไปไหนทั้งนั้นคะ่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยเอ๊ะนี่มันวันสงการแล้วเหร อ, อ <laughs> ไปพรมาเลกาดีกว่าไพมาลกดีก่ค่ะก็พยายามค่าพล า, าจยา์ก็มีภาระดูแลคุณแม่เนี่ยนะคะพจาจย์ก็หมดไปวันๆหนึ่งแต่ก็มีเวลาสมาที่ตอนเช้ากับตอนข้ามเลยนะคะพลาจังกางวันก็ อยากจะนั่งสมัยก่อนอยู่ที่อเมริกาก็ได้นั่งเพราะว่าไม่ได้มีภาละอะไรแต่ตอนนี้มันเหมือนมันมีทำยุ่นทาดีค่ะอาจารย์ร้อนด้วยก็ต้องมาไปตามเหตุการณ์ค่ะก็ตอนนี้ร้อนด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์แต่ก็ร้อนแต่ว่าก็ไม่ ไม่ร้อนใจค่ะนอนใจอย่าใจอย่า้อนใจต้องเย็นใจเย็นเฉียบแต่บางทีมันก็มีกิเลสมาทำให้ใจร้อนบ้างค่ะพอาจารย์องใป้ิ่เบี้ขามามาดักกิเลสค่ะก็พยายามเน่านึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ค่ะก็พยายามไม่ให้ใจมันร้อนข้ามไปอีกวันหนึ่งค่ะพรอาจารย์อ่าเนีค่ะ พยายามักษาใจให้อยู่ในปัจจุบันเนะอดีตมันก็ผ่านไปค่ะอาจารย์เขาแตนก็ยังมาไม่ถึงค่ะอาจารย์ว่างอย่าไปยึดไปติดกับอะไรค่ะค่ะอาจารย์ก็ระลึกถึงคําสั่งสอนพระอาจารย์ตลอดค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ให้พระอาจาย์ทักขันแข็งแรงค่ะจะเข้ามาเสมอเสมอค่ะตจะไม่เข้าแล้วมัน มันเดี๋ยวกิเลสพาไปใหญ่เลยเค่ะครับอาจารย์ต้องมาเข้าห้องเรียนค่ะต้องถอยกระแสบ้างค่ะครับอาจารย์ค่ะครับอาจารย์ฝ า, า, าทุกค่ะคุณแนนต่อแนนนอนท่านนี้น้องกันนะพี่ันนาจารลูกไม่มีคำถามแล้ค่ะโอเคอาจารย์ผมไม่เล กับนัสการพระนาย์ค่ะกับนัสการพัฒนายังอยู่นะยังไม่หายไปไหนนะก็รอวันนี้แหละครับถ้าไม่ได้รอวันนี้ก็ไม่ไม่แน่ยังมีความหวังอยู่นะทุวันพุ่นะทุกวันพุ่นอะหวังวยังยังอยูถึงวันพุ่นหน้านะตอนนี้ก็อที่บ้านไม่ให้ขับรถก็เลยก็เลย ก็ดีสบายเป็หนมาไหนก็นั่งสบายไม่ต้องขับมีคนขับให้ยังขับอยู่ฮะใกล้ๆก็ขับกันไกลๆก็คงก็ต้องอาศัยลูกค่ะอน้องก็ไม่ได้กลับมาต้องห้าสิบปีแล้วก็อยู่งไดยไม่ทราบว่ายังยังจังขับรถได้ปอนะคะเดี๋ยวนี้มันอัตโนมัติหมดละถ้าจะกลับอย่างนี้คนจะขับได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาฝึกซ้อมหน่อย นแต่ตอนนี้มันหันไปดูข้างหลังไม่ได้ฮรับในรถจีมมีกระจกให้ดูกระจกแล้วก็ต้องเอี้ยวตัวมันเอี้ยวตัวไม่ได้ต้องต้องใช้รถทีมีจ่อใช้จังกังวิดีโอโอเคอขับก็ได้ไม่ขับก็ได้หรอนะอย่าไปยุ่งอะไรกันบ้าโอเคครับไม่ขับก็ไม่เดือดร้อนเลยก็ให้ไปถึงจุดแลปวไปทางนี้เราต้องงานจะไปก็พอ ปัจจุบันนี้กดมือถือมันก็มีรถแท็กซี่รถแก๊สรถอะไรมาเยอะแยะแล้วก็นำนวยความสะดวกเหงนี้มีเยอะค่ะอืใขึ้นมาครับเพระคองตัวก็จริงจริงไม่ได้ไปไหนค่ะเขากดไปกดมาก็คือไปโรงพยาบาลไปหาหมอกับจากโรงพยาบาลอะไรอาจารย์สบายดีนะครก็ยังคงสภาพอย่างไม่อาจารย์ยังดูสดใส มันยังไม่สุดสงแต่ทรงอ่เหมือนไม่สุดที่ที่วัดล่มเรือนดีไหมคะผมไม่ร้อนเหมือนในเมืองอ๋อมันก็พอสมควรแต่ก็มันก็ใส่มันมีลมอันยังมีร่มไม้อันนี้มันก็ช่วยมันเทามันไม่ร้อนเท่าในเมืองมีแต่คอนกรีตมีแต่ความมันมันร้อนโผล่ขึ้นม่เยอะแต่ก็อยู่กันสบายค่ะเพราะว่าใจใจสบายทั้งคู่ อยู่กันยังก็ชุขใจสาคัญที่สุดความสุขใจนี่สำคัญที่สุดนะถ้าใจสแล้วร่างกายจะทุกข์ใจอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่กันได้เพราะเป็นสิทธิ์พรอาจารย์เป็นสิทธิ์พระเจาธาตุพุค่ะโอเคสาธุแล้วพบกันที่หน้าถ้ายังไม่หาจากกันไปคงอยู่ค่ะคงอยู่ให้ให้อยู่อีกหลายปีค่ะโอเคดีอีกหลาปีค่ะ แ <Okay. S 1> อ่ถคุณสาธารณกันจีนจีนจีนจีนจานจ yeah. านจียจีนิี okay. นจะีนจีนจีรจีนจีนจีนจีนรักษาจ น, ะานษาจี <Yeah. S 1> ่างนจบอกให้สลจีนจ <Yeah. S 1> ียจีนจานจีนจีรจีนจีนจีนจีนจีวจีนจีนกีนจอรจีนจีนจีนจีนจีนจีนจีมจีนจีคือใจีนรีนจีนจ <Yeah. S 1> ีจีนจีนจีนจีนจีนอีจีนจีน มีความสงบโ้ดใจจะไม่ทุกไม่เดือดร้อนจะอะไรใช่โอเคขอบคุณค่ะคุณบัวขาวมาสักการะอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกูที่แล้วไม่ได้เข้ามาค่ะแต่ก็ยังภาวนาอยู่ค่ะอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แล้วอยู่อยู่ที่ประเทศไต้หวันค่ะอไต้หวัน ค่ะก็ไวกว่าที่ไทยหนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้ก็สามทุ่กว่าแนละ้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็หนูก็ภาวนาแล้วก็เออถึงตรงที่พอจิตเป็นสมาธิค่ะแล้วขึ้นปริกรรมพุทโธใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วทีนี้พอพุทโธหายเนี้ยค่ะคือหนูควรจะดูอะไรต่อดีหรอคะพระอาจารย์ก็ดูเรื่งพุทโธกลับมาใหม่อย่าให้มันหายอ๋ออ๋ อ, อถ้าพุถ้าถ้าเป็น เป็นสมาธิแล้วผพุทโไหาก็คือให้ดึงกลับมาใหม่ได้หรอคะอ๋อถ้ามันเป็นสมาธิก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ให้มันอยู่เฉยๆไปอ่ะถ้ามันยังคิดอยู่มันต้องใช้พุทโธนึินก็หยุดความคิดต่อไปบางทีมันมันเราคิดว่ามันสงบแต่มันยังไม่สงบเพราะฉะสั้สงบจริงๆมันจะเป็นของแตกที่เราไม่เคยเห็น่อไม่เคยเจอมาก่อนอ๋อค่ะพระอาจารย์มันเป็นเหมือนการได้ขึ้นสวรรค์ต้งเป็นอะไรจิตสงบเลยค่ะ นันส่วนใหญ่ที่พุทโธหายเพราะขี้เกียจพุทโธกันหยุดพุทโธเลยมันก็หายเคือบางทีมันก็ไปอ้างว่ามันสงบมันอาจจะเบาลงไปหน่อยแต่มันยังไม่สงบถ้ามันสงบจัิงจริงมันจะร้องอ๋อไปอย่างนี้อ๋อแล้วถ้าถึงตอนที่มันสงบจริงๆมันก็จะหายไปเองเลยใช่ไหมคะพุทโธมันจะหายไปเองแล้วก็ มันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่กับความสงบยังมีความสุขไม่อยากจะทำมไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรค่ะแล้วถ้าถึงตอนนั้นที่พุทโธหายแล้วมันนิ่งๆสงบก็คือก็ให้ดูความนิ่งต่อไปอนี้ใช่ไหมคใช่ใช้สติรักษาความนิ่งไวให้ดูเฉยๆอย่าให้มันคิดอะไรอ๋อสุขาพระอาจารย์ให้มันนิ่ ง, งานาน ออย่าไปรี<ๆ>บบอกออกมาเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวเดี๋ยวต้องไปหุงข้าวอะไรถ้าท้าสมาธิแล้วปล่อยให้มันออกมาเองเในที่เวลามันก็จะออกมาเองอ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเออถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องมีเหตุจําเป็นต้องออกจากสมาธิมา ก, ก่อนนะคะ่ะพระอาจารย์เราควรจะค่อยๆถอนออกมาอย่างไรดีะค่ะไม่โกรธนะก่อนจะนั่งสมาธิต้งวางแผนนิดหน่อย อย่าไปนั่งวันนั่ออกมาต้องไม่เผื่อเวลาไว้ให้ออกมาอ่ามันสงบแล้วก็ปล่อยให้มันสงบไปไม่มีอะไรสำคัญมากกบ่สมาธิอถึงแม้จะต้องไปหุมข้าวแต่ไม่ทําอะไรก็เช่ามันไปม<ฆ>ามทีหลังก็ได้การ <พา S 1> สงบสงบแต่มันยากที่จะเจอความสงบจริงๆคิด<อ>ว่าคนทั้งหมดในห้องนี้ที่นั่งสมาธิกั น, นไม่รู้จะได้ได้กันหรือเปล่า ขออาจารย์ค่ะอาจารย์ก็พยายามทำไปเลยนะนิ่งมากนิมากขม่เป็นมากใช่ค่ะหนูก็พยายามภาวนาทุกวันนะคะดีค่ะโอเคมีอะไรไหมอืมตอนนี้ไม่ไม่มีค่ะป้าอาจารย์ก็ก็อย่างที่บอกคือนที่พุทโทรหายตัวก็ ไม่แน่ใจ ว, ว่าหายไปเองหรือเราขี้เกียจเพราะมานนาอช่วงช่วงที่ไม่นั่งก็กำลังขยันเจริารใจพูดโท่อยู่เล ย, เลยนะไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรานั่งอย่างเดียวเอาจากสม<ฆ>าี่มาแล้วก็พูดโทต่อถ้า<ฆ>ไม่พุดโทก็ต้งองเฝ้าดูว่าตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่กำลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งออืกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากําลังร<ฆ>ับประทานอาหารกําลังทำอะไรนี้ใจล้งคอย ดูเฝ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อ๋อค่ะพระอาจารย์ต้องฝึกสติเยอะๆเวลาเรานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้ง่ายได้นานค่ะก่อนนั่งสมาธิหนูก็จะสวดมนต์ก่อนค่ะตอนสวดมนต์ก็ต้องมีสติอยู่ะต้องต้งสติเวลาลืมตามขึ้นมาเลยพอลืมตาขมันก็ต้องพุทโธไวแล้วในใจเราเนี่ยต้องมีพุทโธปล่ผูกใจ พยนะครันันนง่งเงียบแปรงฟันก็พูดโธรไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นค่ะพระอาจารย์อย่างเงี้ทําเปอย่างเี้ได้สติจะมีกําลังมากแล้วนั่งสมาธิมันจะได้สงบได้จริงๆค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคนะค่ะค่ะขอบพระคุณครัพระอาจารย์จะนําไปปฏิบัติค่ะอ่าอุณเจริญท่านตาเจริญท่าน น้องกัลมาส ก, การพาาระจ้ย์ค่ะยังทํางานอยู่ที่บ้านอยู่นะวันนี้หนูยังทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็หนูไปปฏิบัติธรรมอะค่ะแต่ก็คือเหมือนไปเจริญสติซะเป็นส่วนใหญ่อะค่ะพาาระจ้ย์เหมือนเหมือนหนูเองก็พยายามเจริญสติระหว่างวันในตอนเช้าเช้าตอนเช้าที่ปฏิบัติตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งแล้วก็สับมังก แต่เช้าเลยแต่มันจะนั่งได้ดีตอนช่วงประมาณหลังเก้าโมงเช้าอะคะ่ะเหมือนมันเป็นเวลาที่ปกติเราตื่นเต็มตื่นเต็มตัวอ่ค่ะเต็มที่อ่าค่ะก็นั่งได้ดีอะค่ะแล้วพอแล้วพอวันหลังๆมันเหมือนกันกบจิตมันไม่ยอมคือเหมือนกับว่าหลวงพ่อท่านก็เทศธรรมะไปอะคะ่ะแล้วหนูก็นั่งสมาธิในระหว่างที่ท่านเทศอะค่ะแล้วจิตมันคอยไปตอบคำถามอะค่ะอย่างเช่นท่านพูดอะไร ตลกตลกขำขแล้วคนอื่นเขาหัวเราะกันอย่างเงี้ยเราก็คอยไปพวง์แล้วก็คอยเหมือนจะไปคอยตอบคําถามที่ท่านถามขึ้นมามันก็เลยเหมือนพอมันจะจะสงบจะสงบมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาแล้วมันก็ทำเฉยเฉยบางเฉยเฉยคือมันเหมือนเหมือนจิตมันไปตอบคําถามอย่างสมมติท่านถามคําถามเกี่ยวกับธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตอบ เราไม่มีหน้าที่ตอบลราไม่มหน้าที่ฟังก็ฟังไปคจิตมันไปตอบแล้วค่ะหนูก็หนูก็บบต้องเบรมันไว้เดิมมันไว้ผ่าแล้วหนก็ทราบว่ามันต้องปล่อยมันต้องวางมันต้องมันต้องห้ามหูดหงิดมันต้องห้ามคือมันต้องแต่เหมือนมันไม่ยอมมันยันยึดอยู่ค่ะอาจารย์อมันยังยึดอยู่ว่าอู้ทาไมนะเมื่อกี้เราก็ทําได้ดีทําไมพอถึงเวลาเราไม่น่าไปไปฟังเลยอย่เงี้ยพอเราไปฟังปุ๊บมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเกิดอาการวันหลังๆก็เริ่มหงุดหงิดมีอาการหงุดหงิดว่าไม่สามารถนั่งได้สงบอย่างที่วันแรกๆที่เขาไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยกลับมานั่งต่อที่วัดเอ่าป ท, ทัยแถวแถวบ้านนะคะกลับจากวัดนั้นมาแล้วก็มานั่งต่ออีกที่วัดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นกลับมาจ้าเหมือนพ่อมัอนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความคิดมันต้องดึงตัวเองกลับมา ว่าต้องทิ้งความผิดเก่าแล้วก็มาที่ใหม่แ ล, ipping, decid. ม oh 好好แล้วก็นั clarify, ่งสงบอยู่กับที่ใหม่มันก็นั่งได้นั่งได้ดีขึ้นนะคะอืมก็ประมาณนี้าค่ะก็พยายามอย่าให้ยายคิดก็แล้วกันทำสมาธินะอ่ะพระอาจารย์มีพุทโธบริกรรมไปเรื่อยค่ะมันก็มีตัวน้าการฐานที่สองบ้างก็ได้สำหรับพราจารยค่ะพระอาจารย์มันมันสู้กันนะคะระหว่างความคิดตัวเอง กับความสงบกับสติอย่างเงี้ยอืมก็ยังยังดีที่วันแรกยังได้บ้านยังอยู่ค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็โยมก็คิดว่าจริงๆมันน่าจะมีหมู่บ้านสิบแปดถ้ามีหมู่บ้านสิบแปดที่คนน่าจะปฏิบัติธรรมได้ดีวัดวัดนี้วัดสิบแปดใช่ค่ะแต่บางทีบางวัดก็อาจจะต้องเราก็จะต้องไปปฏิบัติไปโจไปต้องต้องไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเราจะปฏิบัติเองจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทานมือเดียวก็พอกินแค่นิดนิหน่อยๆก็น่าจะอยู่ได้ค่ะแล้วถ้าถือของเราไปคนเดียวก็พอคนอื่นจะถืงไม่ถือกันของเขาค่ะอาจารย์หนูก็คิดว่าเอาไว้หนูไปปฏิบัติกับเพื่อนเหมือนถึงปฏิบัติกันเองอะค่ะหนูกเอาข้าวไปของตัวเองกล่องใครของ ข, ของใครของมาเ น, นี่ยค่ะแล้วก็ต่างต่างปฏิบัติถึงเวลาคือปฏิบัติรวมกันแต่ถึงเวลาทานข้าวก็ออกไปทานข้าวแล้ว ก, กลับมาปฏิบัติต่อแต่ยังไงมันได้แค่ มันได้แค่วันเดียวว่ะคะมันทําต่อเนื่องกันนานๆไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็ไปขอยืมสถานที่วัดเหมือนเดิมอันยิ่งปฏิบัตคนเดียวดีกว่าปฏิบัริหลายคนได้ซ้ำไปใช่ค่ะจริงด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะแต่มันต้องมีมันต้องมีอะไรมาคอยดึงค่ะพอาจารย์ด้วยงนนนั้นเดี๋ยวมันไม่ทำเพราะเพื่อนทําแล้วเราก็จะทําด้วยยเี้ <c oughs> ค่ะค่ะแต่ก็ยังทําอยู่นะคะพระอาจารย์ยัง ยังคงแสวงหาการปฏิบัติยังคงแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองมีสติมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะมีสติมากขึ้นเรื่อยๆเวลาเรานิ่งเราก็กลับมาอยู่ที่ลมกลับมาอยู่ที่ลมกลับมาอยู่ที่พุทโธในระหว่างวันจะมีตัวดึงกลับเข้ามาบ่อยขึ้นหนูยังคิดเลยว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เราอยู่ได้ยังไงมันมันจมไปเลยกับความคิดแล้วก็การกระทําอะไรเงี้ยมันจมไปด้วยกันทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็เริ่มดึงกลับเข้ามา หาตัวเองดึงกับเข้ามาไม่ตโนกตกใจไม่ตื่นเต้นไม่อะไรง่ายๆอะค่ะดอีกมากขึ้นมาแสดงว่าเราสติมากขึ้นนะค่ะพระอาจารย์ยังถาต่อไปค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็หนูก็มีมารายงานพระอาจารย์เท่านี้นะคะแล้วขอบอัดแข็งแรงนะคะกับอ่าสุชนค่ะคุณดุษฎีเชิญนาลาทิวามาสการค่ะพระอาจารย์ โย ม, ม, มคือวันนั้นโยมฟังวิสัชนธรรมเรื่องทางตรงสู่พระโสดาบันนะคะอาจารย์โยมฟังแล้วก็มันมีความรู้สึกมีกําลังใจนะคะแล้วโยมมาติดตรงคําว่าอารมณ์ของจิตนะคะโยมโยมไม่เข้าใจตรงเนี้ค่ะอาจารย์ก็จิตมันมีอารมณ์โกรธบ้างทุกบ้างสุขบ้างอันนี้ยินดีบ้างยินร้ายบ้างนี่ก็คืออารมณ์จิตไง แสดงว่าโยมก็เข้าใจถูกแล้วแต่โยมไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะจางก็เขจอารมณ์ดายบ้างอารมณ์ยินดีบ้างอารมณ์เศร้าบ้างอารมณ์ผ่องสบ้างบิานบ้างพวกนี้ก็เป็นอารมณ์มันเป็นของมันเองใช่ไหมคะก็มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นของมันเองใช่ก็มันมีเหตุปัจจัยมันมีรูปเสียงกลิ่นรสเวลาไปสทำบาปกับรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา แต่ยินเสียงเขาด่ากันก็เกิดอารมณ์อย่างหนึ่งยินเสียงเขา <บ S 1> <แ>พูดดีต่อกันก็มันก็ได้เป็นอารมณ์อย่างเห็นคนทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์อย่างนึงเห็นคนก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีอารมณ์มันมันมันกระตุ้นอารมณ์ต่างๆในใจเราให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วความคิดของเรก็กระตุ้นอารมณ์ได้เหมือนกันคิดถึงแฟนก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งคิดถึงเจ้านี่ก็มีอารมณ์อย่างนั้น มันสปลีา่าตามว่าตามเหตุตามบจดใจมันแบบนีจ้จาไม่เที่ยงไม่จางไจามันแบบน่าตาเคุมมันไม่ได้ออวันนั้ น, นโย ม, ม, โ, ย ม, มโยมเห็นอารมณ์ค่ะโยมเห็นอารมณ์โกรธของโยมค่ะอาจารย์มันขึ้นมาปุ๊บโยมก็บอกว่าเรากําลังโกรธแล้วก็โยมก็สามารถหยุดมันได้ค่ะอาจารย์ไม่ถึงห้านาทีประมาณไม่เกินสามนาทีค่ะจะรู้สึกแบบ หยุดมันได้เดี๋ยวนั้นเลยค่ะจยนไม่ได้เป็นแบบเมื่อก่อนว่ามันมันน่าเกลียดมากเลยตอนที่เราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกเราโกรธขึ้นมามีเรารู้สึกนะคะจันว่าเราโกรธเรากาลังโกรธแล้วก็หยุดมันค่ะจยนแบบไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถหยุดได้ในเวลาอันสั้นขนาดนี้ค่ะจันบางทีมันก็หยุดไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กับมันอ๋อค่ะข้อปัญหาก็อย่าไปทุกกับมัน ถ้าอยู่มันน่าก็ดีถ้าอยูมันไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์กมาณอย่าไปถ่าตามมันมันโกรธใครมันจะไปทุกตีหัวใครมันต้องไปทําตามให้มันโวยไม่อยางนันให้รู้ทันมันให้รู้ว่ามันก็ไปฆ่าลมเดี๋วก็ดับไปอารมณชั่ววูบนโยมโยมยมจะเอาคําอาจารย์มาเสมอว่าเดี๋ยวมันก็จบแต่ว่าตอนอารมณ์แบบนั้นมันไม่ค่อยเกิดแล้วนะคะอาจารย์แต่วันนั้นโยมก็รู้สึก มันมันขึ้นมาเฮ้ยเรากําลังกโกรธแล้วมันก็หายไปแล้วก็พอโยมก็มาพยายามเอาคําว่าเทอาจารย์เทศในเรื่องวิสัชนาธรรมนันหาว่ากายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะตอนนี้โยมก็ดูทํางานอะไรก็จะดูการเคลื่อนไหวของกายดูมือดูอะไรไปแบบเนี้ยค่ะอาจารย mm hmm. ์พอเรามันพอเรามันเวทนาเรารู้ว่าอยู่กับการเวทนาของมันเราไม่ทุกกับมันอย่างนี้ถูกไหมคะอืม mm hmm. ไม่เท่า ก, กับกาย<ช>ไม่เท่า ก, กับเวทนาะไ <c oughs> ม่เท่า ก, กับเจิตอ๋แสดงว่าจิตที่ว่ามันคิดอารมณ์โกรธขุ่นมัวถ้าเราไม่ไปกรดไม่ไม่ไปอยากให้มันหยุดอันนี้แล้วก็แสดงว่าเราก็อยู่กับมันอย่างนี้ไปใ ช, <c oughs> ใชป่ใช่ใช่ไปใช้วิเบกขาอยู่กับมันไปเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมดูว่าเอ้แล้วเราดูจิตถ้าไม่มีสมาธิ <c oughs> ไม่มี ว, <c oughs> วิเบกขาก็ทําไม่ได้เพราะมันจะมันอยากจะไปเปลี่ยนอารมณ์หนทางให้เป็นใบตั้งความอยาก แต่ถ้าไม่ obey ขากนะ็มันก็ปล่อยอยู่เฉยๆได้ปล่อยให้ใหมันเป็นไปเพราะมันเป็นของที่เราควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้มันมันมีอยู่บางบางบางครั้งเรากําลังนั่งดูการทํางานของกายใช่ไหมคะอย่างเช่นมือเราเคลื่อนไหวก็ดูมือก็เห็นแต่มือที่เคลื่อนไหวอยู่แต่บังเอิญความคิดมันผุดขึ้นมา อ, อ๋อเรากําลังคิดก็กลับมาดูกายต่อแบบนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าจารชติก็ต้องอยู่กับกายอย่างเดียวอย่าไปอยู่กับเรื่องมือ ดึงดึงกลับมาเอให้อยู่กับกายตลอดเวลามันคนละขั้นกันมันก็พูดถึงนันขั้นปัญญานั้นปัญญาให้เห็นอนิจจังอนัตตาขั้นขั้นสติไม่ให้เห็นอะไรให้เห็นให้ผูกใจไว้อยู่กับกายอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องใช่ว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอะไรไม่ต้องคิดไม่คิดผูกใจไว้ เป็นคนละขั้นกันขั้นสติกับขั้นปัญญาเป็นคนละขั้นกันแต่ว่าถ้าเราดูกายการทํางานเราก็ดูกายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เฉยไม่ต้องไปเคิ็ดปรุงแต่งแต่ว่าบางทีดูๆจนกระทั่ทงเราเห็นแต่แค่มือเราเคลื่อนไหวตัวเราหายไปเราดูแต่มือมันมันก็เพลินดีนะคะอาจ า, ายรย์มันไม่หายเราไปปรุงแต่งมันจะหายแึ่มันจะไม่หายไ<อ>งเรา มันมันเหมือนกับเราเห็นอ้าวค่ะยังไม่หายได้ไงเราที่มันหายว่าใจเราไปปลูกแต่งให้มันหาใยไมันต้องปลูกแต่งให้ดูเฉยๆดูว่ากําลังทําอะไรอยู่ปูกใจไว้อยู่กับร่างกายเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาหมายเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะระอาจารย์ธาตุแข็งแรงนะคะอย่างาตุธุถุกค่ะคุณปูแป้ กลับนราชการเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นไงมีอะไรไหมของหนูก็อกก็ก็วีค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์ทุกบ่ายสองค่ะพระอาจารย์คะห้องหนูประเด็นของหนูอะค่ะเพราะว่าเป็นพยาบาลก็ต้องเรียนอนาโตมีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ขนาดพวกหนูเรียนอยู่กับศพอยู่กับอะนาโตมี่นะคะพระอาจารย์ก็ยังไม่แบบมันไม่สามารถที่จะแบบ ันเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับเอาสุภาพกรรมฐานได้คะ่ะพระอาจารย์แต่พอได้ฟังธรรมนี้แบบทําให้แบบเห็นเลยะคะ่ะว่าเป็นของไม่สวยงามเหมือนระบายสีล่างเหมือนระบายสีแต่งเติมอนะคะ่ะพระอาจารย์แต่พอได้ฟังธรรมแล้วเอามาพิจารณามันแบบทําให้แบบเด็กตอนเด็กๆะคะ่ะพระอาจารย์ตอนที่หนูเรียนหนูอยากเป็นนักอัศรานะคะพระอาจารย์เพราะว่า แต่เขาไม่ให้เป็นพราฟันเยินกับผิวดําค่ะพระอาจารย์หนูมีความตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นนั้นหนูจะไปสัญญกรรมแล้วจะมาดัดฟันเลยค่ะพระจารย์ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นนางรําค่ะพระจารย์โอ้ mm hmm. oh, หนูมาอยู่โรงบานส่งเขาให้เป็นนางเชียร์ลีดเดอร์เลยนะคะพระอาจารย์แล้วงานเกษียณเขาให้ราหนูมีความสุขมากเลยหนูไปดัดฟันหนูพร้อมมากเลยเพื่เรื่องความสวยงามค่ะพระจารย์ไม่ต้องเอาเงินมาค่ะหนูอยากแสดงอย่างเดียวค่ะเพราะเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่า เด็กๆเขาไม่ให้เป็นนางอับสลาพราฝันไม่เะไม่สวยค่ะพระอาจารย์แถมดําด้วยหนูก็เลยว่าโตขึ้นนั้นหนูจะสัญญกรรมค่ะพระอาจารย์แต่พอคุณเชิญสถานการณ์ค่ะพระอาจารย์พาพก็โลกหลายรอบหนูแบบเสียใจตรงที่ว่าโอ้หนูสาเก็บเพื่อจะมาสัญญกรรมความสวยคระพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้แล้วพอหนูได้มาฟังธรรมเรื่องอสุภะกรรมมาถ่านี้พระอาจารย์มันเลยเห็นแบบร่างกาย ไม่สวยเลยเป็นศพเลยเดินได้คะ่ะพระอาจารย์อยูก็เลยได้ของดีทางใจเนี่ยคะ่ะจากธรรมะอะคะ่ะพระอาจารย์ขณะนุยุกับศพนะคะพระอาจารย์ที่เรียนอณโตมีมาเราก็ไม่สามารถที่แบบจะดูเรื่องร่างกายให้แบบขี้เละหรือเป็นศพเดินได้อะคะ่ะพระอาจารย์พอมาฟังธรรมแล้วเอามาพิจารณามันมองเห็นร่างกายเป็นศพเลยนะคะพระอาจารย์มันก็เลยแบบมองไม่ได้สวยงามไม่ว่าชายหญิงะคะ่ะพระอาจารย์ หนูได้ได้ของดีตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ในการเอามาพิจารณาตัวเองค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่แต่งหน้าเลยค่ะพระอาจารย์ขนาดสามีหนูก็เห็นเหมือนมาเป็นศพเลยนะคะพระอาจารย์ก็เลยไม่มีความหวงเลยค่ะพระอาจารย์หนูแลบโอ้ขนาดนี้เลยนะคะพระอาจารย์หนูอะไรยโยงเข้าไปเลยนะโอ้หนูบอกว่าทําความไฝ่ฝันหนูพังหมดเลยหนูสาจะเป็นนางงามจะมาเต้นบนเวทีงานเกษียณหนูฟรีหมดทุกอย่างพระอาจารย์หนูกําลังเก็บกดมาก แต่พอมาถึงช่วงสถานการณ์โควิดหนูนผากระโหลกหลายรอบเลยค่ะพระอาจารย์หมดเลยความสวยงามหนูสาะสบเพื่อจะมาสัญญกรรมความสวยค่ะพระอาจารย์แต่พอสักพักมาได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หนูก็เลยหมดเลยค่ะก็เลยไม่ซื้อเครื่องสําอางมาแต่งหน้าเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเห็นโอร่างกายเหมือนผีเดินไปเดินมาเลยค่ะพระอาจารย์ได้ของดีจริงๆคะ่ะทางใจค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้คงพระ พระพุทธองค์ของจริงเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยขนาดอยู่กับศพนะคะคนไข้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนอนาโตมีมามันไม่สามารถทิ้งความไม่สวยไม่หลอกได้นะคะพระอาจารย์ต้องเอาธรรมะมาพิจารณาถึงจะเห็นจริงเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยว่าของดีเลยค่ะพระอาจารย์ของพระพุทธองค์เลยค่ะนํามาใช้อ่ะค่ะเรามันเชื่อมได้เลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะ หนูก็เลยว่าโอ๊ยหนุ่มีแต่สาธุเลยค่ะอาจารย์จริงๆหนุก็เลยแบบปารแต่ก่อนอยากสวยอยากแต่งหน้าซื้อเครื่องสําอางพร้อมมากค่ะอาจารย์แต่พอมาได้ฟังธทำแล้วมาพิจารณาตัวเองก็เลยไม่ได้มีมาเขียนคิ้วแต่งหน้าเลยค่ะอาจารย์ปล่อยเลยค่ะพอาจารย์มันต้องงบการอารมณ์ด้วยนะมีไว้ใช่ค่ะงบการอารมณ์โอ้ เอยูกัสามีเหมือนไฟช็อตเลยนะคะพระอาจารย์อู้หูคนลุกเลยเขาเหมือนอยู่กับผีเลวยกัน์เป็นผีทั้งสองคนไปเลยค่ะก็เลยไม่มีความอยากทางกามเลยค่ะพระอาจารย์อุ้หมันตัดแล้วเขามัเบื่อเราอย่งนี้เามัไปหาใหม่ไงก็บอกว่าเขาเขาเหมือนนางงามค่ะกลายเป็นว่ามองสามีเหมือนผู้หญิงไปเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ค่อยเบื่อที่แม่บ้านเขาเขาต้องไปหาข้างนอกดล โอเคเขาเขาก็เหมือนผู้ชายเขาก็เขาก็โดนหนูบังคับเนี่ยแหละค่ะถึงมีลูกค่ะพระอาจารย์ที่มีลูกนี่หนูบังคับเขานะคะพระอาจารย์เขาบังคับหนูค่ะจ้ะหนุก็เลยได้ของดีก็ไม่บังคับเขาเลยค่ะพระอาจารย์เขาเขาจะชอบเขาจะมีอเรไหมเมียเราเหมือนกันเลยของเขาก็แล้วกันใช่ค่ะปล่อยเลยค่ะเพราะว่าแค่เขาแตะค่ะพระอาจารย์แค่เขาแต่หนูไฟช็อตเลยนะพระอาจารย์อือเนี่ อูมันสปาร์กมันโดนไฟช็อตเลยอู๋ขนลุกเลยค่ะไฟช็อตแบบมีอารมณ์หรือว่าไฟช็อตแบบไม่มีอารมณ์ไม่แบบแบบใกลไม่ได้อะค่ะเหมือนไฟดูดแบบต้องห่างอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เจ็บปวดนะเจ็บปวดนะมันมันอูหนูหนูก็ยังว่าอุ้ยทําไมมาแค่แค่เขามาแตะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสปาร์กไปเลยนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้อะไรเนี่ยอาการอะไรมันเป็นหย่งนี้จริงๆค่ะพระอาจารย์เขาเขาเขาก็ไม่ได้แตะอะไรที่แบบ ไม่ได้มีความอยากกันนะคะพระอาจารย์ยังมีความหมายกันอยูกันอย่าเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันใช่ค่ะเป็นเพื่อนช่วยงานโท่ให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เข้าพระอาจารย์เสาธุเลยค่ะคุณจิ๊บโควเลยที่นี้ไม่มีคาถามเลยนะเงียบๆไม่มีคาถามเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้หมดแล้วพอใจหมดแล้วนะ อ๋อไม่ไม่ครับอาจารย์มันความรู้ทางพุทธศาสนานี่มันมันมีเยอะแยะมากมายจนหนูหนก็เรียนรู้ไปเรื่อยจะขอพระอาจารย์เขาฝึกไปเรื่อยนะคะไม่อยากจะรู้อะไรเป็นพิเศษเลยหนูจะบอกพระอาจารย์ยังไงดีคือตอนนี้ขอพระอาจารย์หนูแอบไปเรียนอภิธรรมอะคะอ่ะอาจารย์มันต้องแอบด้วยเด็กก <c oughs> นหมายที่ไหนเน <c oughs> อะเพราว่า หนูมันมีเวลาว่างช่วงเช้าใช่ไหมคะพระอาจารย์ต้นในในโทรศัพท์สมัยปัจจุบันเนี่ยเขามีสื่อสอนทําเยอะเลยตอนนี้หนูก็ไปเรียนจุลตรีค่ะเล้วก็จะมีสอนอ่าจิตเจตสิีรูปนิพานอะไรอย่างนี้ยค่ะไปฟังก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่แต่ก็ไปฟังนะคะดีกว่าไปดูละครอ่าแต่ดูเรื่องดูไัทำไมอ็แบบ แต่แต่มันก็มันก็มีได้นะครพระอาจารย์มันก็มีได้ความรู้ที่แบบโอ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เช่นเช่นเขาสอนเรื่องอ่าอ่า อ, อะไรนะเมตตาอัปปมัญญาเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่าเมตตามันมีเหตุใกล้ที่ที่ที่อะไรนะที่ที่อาจจะเป็นเมตตาแต่ไม่ใช่เมตตามันคือตัณหาอะไรอย่างเงี้ยครัพระอาจารย์แล้วก็ mm hmm. แล้วก็ เมตตากรุณาหนูก็จําไม่ค่อยได้นะกรุณานี่ก็คือเหตุไกลเหตุใกล้ที่ที่คล้ายกับกรุณานี่ก็คือสมนัสสมนัสมั้งสมนัสอย่าไปรู้อะไรเสียเวละ <c oughs> ความรู้ใดที่ไม่บรรดับความทุกข์อย่าไปสนใจเลยค่ะวความรู้ที่บันดับความทุกข์ได้ก็พออก็มีแค่สามตัวนะอนนี้จังทุกขัของหนัาตาที่มันจะดับความทุกข์ได้จริงเลยค่ะ ไปเรียนทำไมเสียเวลาเ่าตอนนือตอนเนือก็ น, น, อ น, น, นะ่ ท, ทเราเียนก็นไม่เรียนเนี่ ย, ยนอนนี้จังไม่ได้ตนเหนือนนจังนี้มันเยอะแยะไปหมดมองมองให้มันทุกอย่างเป็นตอนเหจังไป<า>ทุกขังมองให้เห็นเป็นทุกข์ไปหมดเนี่มีประโยชน์กว่ า, าไปเรียนเรียนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วล่ามทาอะไรได้เอามาทำอะไรได้ จริงจริงจริงด้วยนะคะพรอาจารย์เพราะว่าตอ น, น, นตอนหนูเป็นนั่งเรียนหนูก็ฟังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฟังไปเสียงในหัวหนูก็ดังมากแบบเฮ้ยทาไมต้องมาพูดให้มันแบบใช้ภาษาสวยเกินไปจนไม่เข้าใจอะไรเลไอย่างเงี้ยอยากเรียนรูปเขาแบบตัวนั้นประทั ก, กับตัวนี้หนูก็แบบเฮ้ยมันก็คืออะไรอะอั น, น่ะเอเขาเรียกว่าอือก็คือภาษาอารอยัพท์ไอ อะไรยตนะในกระบบกับภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไปใช้ภาษาที่มันโหภาษาแบบสวยจนจนต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีอ่ะคะ่ะมันก็เลยุ้งเข้าไปเรื่อยๆอ่ามันฟงสั้นเนี่ยวนี่มัน <c oughs> มันฟงสั้นเนี่ ย, ยแต่นี่จะหยุดความคิดกลับไปเพิ่มความคิดให้เกิดขึ้นในใจนะครับแล้วมันจะน่งสมาธิได้อย่างไงแต่แต่หนูก็อืมแต่หนูก็นั่งนั่งอยู่ทุกวันนะคะพระอาจารย์อ่นั่งได้แต่นั่งคิดเนี่ยไม่นั่งแบบสงบเนาะ อืมค่ะอ า, าจารย์ตามใจเนะี่ยไม่ว่ากันอยากจะคิดอยากจะเรียนตะเียนไปอาจารย์จริงๆมันมีแค่สามตัวนะอันนี้จทุกงแล้งต า, าอริยสัจสี่มีแค่นี้ที่ต้องรู้ค่ะรู้ให้มันรู้ให้มันละเอียดน้ให้มันรอบขรอบถึง้ค่ะโอเคค่ะ กลับค่ะหนุกมากเลยเนี่ยมาบอกอาจารย์พระอาจารย์อย่างเงี้ยจริงๆหนูก็แอบไปแอบไปนนั่งเรียนมานั่งนั่งแบบตั้งใจจดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามตัวเองเรียนไปเพื่ออะไรได้อะไรจากการเรียนนี้หนูหนูไปได้ยินมาค่ะพระอาจารย์ว่าแบบอย่างที่อย่างเราปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเหมือนเราอ่ะเป็นลูกชาวสวนที่แบบว่าได้ความรู้มาจากพ่อแม่จากจากปู่ย่าตายาย แต่ว่าคนที่เรียนปริญญาตเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนนักเรียนเกษตรที่เขาก็จะรู้ว่าอ่าโลกของพืชมันมีอะไรบ้างมันมันจะต้องมีอะไรยังไงจะต้องดูแลยังไงแล้วถ้าสมมติเราอ่ะเป็นลูกชาวสวนที่ไปเรียนเกษตรอ่ะมันก็น่าจะดีดีรู้ได้หลายทางไม่ใช่หรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบคิดอย่างนี้ค่ะอ า, าจารย์เราเป็นลูกชาวอะไรที่เขาเรียนนี้อะ ลูกชาวสวนอาสวนเป็นยังไงคะอาสวนก็คือเหมือนเราเรียนเราเราปฏิบัติเรียนได้ความรู้มาจากครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาโดยตรงนี่นะคะพระอาจารย์งันนี้ถือว่าเป็นลูกชาวสวนเลยลูกชาวสวนถ้าไปเรียนตำนาถึางจะเป็ น, เ ป, นเป็นนักเป็นต้องมีป ร, ริญญาอย่างนี้แหะค่ะแ ต, แต่แต่หนูไปเรียนนี่คือหนูไม่ได้ตั้งใจจะสอบนะคะพระอาจารย์ก็คือหนูก็บอกพระอาจารย์ที่เขาสอนว่าหนูไม่สอบ หนูคือเข้ามาขอฟังขอร่วมฟังเฉยๆอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่ก็ตามใจอย่าฟังก็ฟังไปเอา <โก S 1> ไปนั่ ง, งเอาเวลาไปนั่งสมาธิดีกว่าค่าะพระอาจารย์กิเลมันหล อ, อกอ่ะกิเลมนไม่ชอบให้เรานั่งสมาธิกันมันจะหาเหตุ <c oughs> หาอ้างไว้ที่เราไปทำ น, น, <c oughs> ทนู่นทำนี่เรื่อยๆค่ะแต่ตัวเดียวที่มันไม่เยอะไม่อ้างไม่ดึงก็คือให้เราไปนั่งสมาธิกัน มีใครชวนให้เราไปนั่งสมาธิก็ไม่มีเลยไม่มีเี่แต่ไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปดูนั่นดูนี่ไปกินนู่นกินนี่ดื่มนั่นดื่มนี่มีที่นี่เทนั้ที่มัชวนให้นั่งสมาธิธรามาที่นี่เราจะเราตกชวนให้นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วยังอาจไปยังอ่าจไปกินนู่นคิดนี่ไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรียนค่ะแก่เดยว ชิคใหม่ทำใ ห, หม่ค่ะแพทย์นั่งสบากับกับวันสมาธิพิจารณาไตรักเหมือนเดิมพิจารณา่างกายให้มันถ่องแท้ร่างกายมันไม่เที่ยมเอาเอาร่างกายของเราให้ได้ก่อนไม่ทุกกับร่างกายให้มันได้ก่อนไอ้ที่เปเรียนมานี่มันมันดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้ ไ, ดไหมล่ะหนูตามความคิดหนูนะคะตามความคิดหนูเลยหนูว่า มันพาให้ฟุ้งเข้าไปเรื่อยๆฟุ้งเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันมันยากมากเลยเพราะว่าอย่างตอนที่เรียนจิตเจตสิทธ์อะหนูยังแบบเฮ้ยจะนับทำไมดวงน่้นดวงนี้ประจวบอะไรเงี้ยอะแลนับทำไมะอะไรเงี้ยแต่ประมาณนั้นนะคะหนูแบบหูดับเลไ่แทบไม่ฟังนะแต่ก็แบบเวลาที่เขาสอนว่าอันนี้ความหมายคือไรอะไรเงี้ยมันมันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาค่ะอาจารย์ เออความความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยัวไจริงก็นะจาค่ะถ้าความรู้มันน่ยความรู้ระดับความทุงข์ยได้นี่เป็นความรู้จริงความรู้ได้ที่ระดับความทุกข์ไม่ได้แล้วความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดไม่รอดจับความทุกข์เนี่ยยังไงความรู้ที่จะทําให้ระดับความทุกข์ได้ก็คืออันนี้จังทุกข์ขังหน้าตาเนี่ยจริงนะเจ้าค่ะ จริงอย่างที่พระอาจารย์พูดจริงๆค่ะพอาจารย์เพรหนูไปนั่งเรียนแล้วหนูรู้สึกว่ามันจะดับได้ยังไงกว่ากว่าจะดับได้นี่ต้องมานั่งแจกแจงจิต ด, ดวงนั้นจิต ด, ดวงนี้อะไรอย่างเงี้ยมัน ม, มันฟ้ามันมันไม่ทานหลอกลยอย่างเงี้ยถึงเวลาจริงค่ะโอเคนะ่ตามใจนะอย่ากจะเรียนก็เรียนไปแ <laughs> ล้วประกันหน้าเป็นความรู้ท่วมหัวเติมให้อด้ค่ะหนูหนูดีใจที่วันนี้หนู เขามาบอกพระอาจารย์ครับเขาตอนแรกหนูหนูคิดว่าเอ๊บอกพระอาจารย์ดีไหมหน้าเอ๊หรือเราจะลองเรียนก่อนบอกดีไหมหน้าแต่วันนี้หนูหนูได้คําตอบแล้วครับพระอาจารย์อืมอืมกล่าวขอบพระคุณนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่คําตอบทำไมนะควรจะทําหรือไม่ทําเนี่ยกิเลมันแรงอนะกิเลมันชอบดึงเราไปหาเรื่องนู่นเรื่องนี้ทำอยู่เลยไอ้เรื่องที่เราควรจะทำมันไม่ดึงเราค่ะขอบพระาจารย์อนะ่าอ่า โอเคสาธุสาธุข้าว่าไงคุณปามว่าไงว่าอยากพาอาจารย์จะเป็นดเขาไหมไม่อะหนูชอบเดินลักษณะเขาพระอาจารย์เดินลักษณะหนูหนูหนูก็ก่อนหน้านั้นอ่านหนังสือมาเนี่ยพอเจอพระอาจารย์แล้วหนูหนูเข้าใจเข้าใจอย่างของไทยว่าเราในแบเป็นอะไร มันง่ายคือไ ม, ไม่ไม่ต้องผปนสื่อไม่ต้องไหนฟันแล้วก็เดียงโยกเั น, นที่ที่ทำใจใสงบเท่านั้นแหละเป้าหมายของการปฏิบัติควา ม, มสงบด้วยอ่าสวัาสงบความทุกข์มันก็หายไปค่ะอาทิตย์ที่พาให้บนเกลหลอกไปสักนิดหนึ่งนะ้วกอก พอดีลูกกลับมาแล้วฉันดูรีลี่ในผมสวัสดีพอดีพ่อประวัติศาสตร์ดูไปดูมาไปดูน้องแสดงผู้ชายเนี่ยโอ้ยเด็กนี่มันหน้าตารักดูผมงพิจารณากรอกคนเล็บฟันไม่นแล้วอาจารย์ตก ค, ค่ะอ่ เ, อเดี๋ยวทาํา <laughs> หมันละเลย ม, มันการังได้ใช่มคะอืมค่ะ เออเอเหมือนเอ็นดูน้องเขานาคเล่นดีครับเลยหายไปไม่ท<ค>ันกลายเป็นสัญญาไหม ท, ที่เราเรียนที่เราเรียกว่าเป็นปัญญาการเป็นสัญญาจําแล้วก็ลืมค่ะสอบตกค่ะก็ไม่ยอม น, นะค ะ, คะเกอแก้ไขาใหม่ค่ ะ, ะถ้า เ, เาเราเห็นอะไรน่าสูน่าดูน่าชมแสดงว่าเราหลงไม่เห็นความจริงนะคับอืม มีมีลูกหมาที่เลี้ยงไว้ก็เหล่าเขาเออกมาทิ้งก็เวลาเห น, น, นูพยายามกระดูกนะคะจับไปจับเตินมด้วยความเอ็นด้วยก็คล้ายกันมันมันก็เป็นการพิจารณาไปพร้อมๆกับคนดูมันยังรู้สึกว่าเขาน้องหมาเขาลักกิ่งอย่างนี้ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะหนูรู้แล้วเข า, าจะกลับเปหน้ามาที่ช่องสติใจแล้วก็พิจารณาอืมอ่าค่ะ ค่หลังสมการหนูนก็ไปติดเลกค่ะที่วัดพระอาจารย์เจ้าค่ะชออ่าคุณซันนี่ค่ะซันนอเล่นริงชื่อเล่นจริงแล้วชื่อเล่นปลอมชื่อเล่นจริงค่ะพระอาจาจรย์ค่ะแต่สมัยก่อนคุณพ่อเขามีรถน i s สัน s ันนี่ค่ ะ, ะก็เลยตั้งช <laughs> ื่อ ตั้งชื่ อ, อตามมีที่มาที่ไปนะอ๋อใช่ค <laughs> ือบางทีเข้ามาอินเทอร์เน็ตมันจะตั้งชื่อชื่อปลอมขึ้นมากันค่ะอันนี้ชื่อชื่อตั้งชื่อเล่นที่คุณพ่พอคุณแม่ตั้งให้ค่ะอก็ว <c oughs> ันนี้อยากเอ่อจะปรึกษาเรื่องการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เวลาหนูนั่งสมาธิหนูใช้วิธีดูลมใช่ไหมคะแต่ว่าหนูะจะเอ่อจับ จับเวลาด้วยค่ะว่าตัวเองนั่งได้กี่นาทีเพื่อดูว่ามีการพัฒนาบ้างหรือเปล่านั่งได้นานขึ้นือบ้างหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์แต่รู้สึกว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเวลาไม่ไม่จับเวลาไม่ดูเวลาค่ะคือเหมือนตัดเรื่องเวลาออกไปเลยอ่ะค่ะก็รู้สึกว่ามันเหมือนสงบได้ดีกว่าพ็จิตละพ้อพถ้าตั้งเวลาใช่ค่ะเราอย่าไปสนใจเรื่องเรื่องปริมาณให้สนใจคุณภาพเมื่ออย่างังสมาธิ เราจิตสงบ น, นั่งได้แค่สิบ้านาทีก็ดี๋ยวนั่งห้าสิบนาทีเราไม่สมงบถึงแม้จะนั่งได้จำํำนวนน้อยกว่าก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าถ้าเรา<ด>สามารถเข้ า, ขามใจได้คุณภาพได้ได้ค่ะอาจารย์จะลองไปปรับปรับเปลี่ยนดูใหม่คะ่ะอาจารย์แต่จะรู้แบบเข้าวข้าวอะไรก่อนจะนั่งก็ดูยนาไงก า, าว่าวันนี้นั่งสี่โมงแล้วก็เลือมันไปแล้วเดี๋ยวเวลาเลื่อนข้าวมาดูใหม่กันด้แต่เวลานั่งอย่าไปพองถึงมันว่า นานได้กี่นาทีแล้วค่ะเคยเคยใช้แบบ น, นั้นเหมือนกันแต่ก็จะชอบคิดไปคิดว่าเอ๊ะเมื่อเมื่อตอนแรกมันเวลากี่โมงนะที่เหมือ น, น<ม>ลืมไป<ม>แ<ม>ล้กวก็เอ๊ะกลัวลืมว่าตอนแรกเอ๊ะกี่กี่นาทีย่าอย่าไม่อยิ่อย่าไม่ยู่มือ่อวันไหนไหนนั่นใช่ค่ะอาจารย์แต่แต่มีครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่แบบลองแบบไม่สนใจอะไรเลยแบบเหมือนตัดเวลาออกไปจากโลกนี้เลยอ่ะอืมนันแะดีได้ว่างได้ค่ะอา้ารย์จะลองไป ฝึกปฏิบัติดูไหมชอบเอาเรื่องเข้ามานั่งทานที่ยาวเรื่องออกไปก่อนเรื่องเข้ามาเพิ่มดูค่ะพระอาจารย์่งทานที่<ะ>เอ่เองทนใจให้ว่างจากทุกเรื่องค่ะกลักวกลัวแบบวิเราไม่เก่งเลยนั่งได้น้อยจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ครันวัดที่ผลมันก็สงบไม่สงบมันก็เหตุก็คือสติมีหรือไม่ทั้งสองตัวเนี้ยเกิดจะผล ก็คือสติผลก็คือความสงบเนี่ยถ้าเห็นดีสติดีผลก็ความสงบมันก็จะมันก็จะดีมันก็จะมีมากขึ้นมาถ้าสติมไม่ดีเพราว่าโผลกับเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ผลมันก็ไม่สงบค่ะพระอาจารย์จะนําไปปฏิบัติค่ะ <c oughs> ไม่มีคำถามอื่นค่ะโอเคแม่สบายดีไหมสบายดีค่ะพระอาจารย์ขึ้นนอนแล้วเหรอขึ้นแล้วค่ะ ช่วนี้เรื่องราคาทองคำไม่เคยิตแล้วนะนเงียบไใช่ค่ะเงียบๆแต่ก็แกก็ยังดูดูอยู่ทุกวันนะคะพระอาจารย์ยังขึ้นลงอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วไม่ค่อยหวือหวาเหมือนเมื่อก่อ น, นขึ้นขึ้นลงอยู่แต่ว่าไม่หวือหวาคะ่ะพระอาจารย์ไม่เมือนช่วงนั้นที่ขึ้นงเป็นพันเป็นร้อยนะใช่ค่ะช่วงนี้เหมือนอยู่ในแบบแนวแนวลงลงจะมากกว่าคะ่ะพระอาจารย์ทองครำนะไม่กี่อะไร ก็เหมือนที่อาจารย์บอกค่ะอันนี้จังค่ะอืไม่มีอะไรแน่นอนอไม่ขึ้นก็ลงเพราะแมอยากให้มันแน่นอนก็เลยทุกขังแม่กอาจารย์โอเคการใช้สงบดีกว่าการสงบนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าความคำกองเท่าภูเขาของทำกองเท่าภูเขาไม่สามารถทําให้เรามีความสุขความอิ่มความพอได้ ความสงบเนี่ยมันจะทำเราเป็นความอิ่มความพอไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรค่ะพระอาจารย์จะพยายามปฏิบัติให้ได้ถึงความอิ่มความพอค่ะอ่านางไม่สตินะ้ค่ะช่ด้วยการดูเวลากำหนดเวลาเนี่ค่ะจะไปเปลี่ยนใหม่คะ่ะพระอาจารย์อืค่ะขอบพระคุณ คุณปุ้ยนักสัมบร่างแรกเช้ากนกล่าวนมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยค่ะขอน้อมถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วคุณปุ้ยก็มีเรื่องมารายงานพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าอโยมก็ปฏิบัติดีมาตลอดเทิงถึงวันอาทิตย์ที่ลูกชายโยมมา มาดีเข้ามาอิเตอร์เมื่อวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จับไปเมื่อวานนีเ้เขาแบบว่าเด็กกันนะฮะมันโตแล้วและอย่างหนึง่งพอเวลาเขาไปรับฟังมาจากบ้านทางสามีเก่าอ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนกับเราเข้าใจว่าเขาเหมือนกับเด็กซึมเศร้านิดนิดนะคะเราก็พยายามพูดดังหน่นะพูดดังหน เหมือนกับว่ามีซึมเศร้านิดๆเนะะี่ยค่ะเราก็อยากจะช่วยเขาแต่ทีนี้แบบว่าเขามีพลังงานลบเยอะมากค่ะอาจารย์เขาเป็นเด็กดีแต่พลังงานลบเขาเยอะเขาไปรับพลังงานลบมาเยอะแล้วเออเราก็ต้องค่อยๆใจยเย็นบางทีเขาอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเราขับพูดถึงสามีเก่าอย่างเงี้ยเขาก็จะอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยเราโยมก็เลยแบบรอให้ใจยเย็นๆแล้วโยมก็ พูดกับเขาเพราะว่าพอเขาเขาก็จะใจยเย็นลงก่อนจะกลับเขาก็พูดดีเขาก็บอกว่าอืมฉันเข้าใจแหละเ อ, อเราก็บอกว่าเรา เ, เราใช้กรรเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างพระอาจารย์สอนว่าถ้าให้ใจยเย็นเข้าสู้ให้เอาเมตตาเขาใส่โยมก็เลยเอาเมตตาเขาใส่เอาใจายเย็นเอาความใจยเย็นเพราะอย่างน้อยเขาความเคารพเขามีจุดหนึ่งให้กับเราเขารู้ว่าเราอยู่เพื่อเขาไงฮะ พระอาจารย์ยมก็อยากจะให้เขามาทางธรรมเพราะว่าเออ่โลกที่เขาเป็นเนี่ยมันจะหายได้เพราะสมาธิแต่ว่าความเชื่อเขายังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาอยู่ในสังคมเด็กวัยรุ่นเน่ะพระอาจารย์และเด็กที่เจอมันเน่ะมันมีแต่แบบว่ามันไม่เชื่อเรื่องศาสนาอะไรเลยอย่าพระอาจารย์พรอค่ะยมก็เลยหลุดไปแต่โยมก็ยังนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะยมจนตื่นเช้าเรียนยม และสวดดังๆด้วยเวลาเข้านอนเนี่ยยมจะสวดให้เขาฟังเพราะว่าเราจะไม่สนใจเพราะว่าขอให้เราก็คิดเอาไว้ออไ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเราอย่าไปรบกวนชาวบ้านเลยส่วนส่วนบางๆนี้เลยยมเคยอาจารย์ยมทำอย่งยมมางเี้ยมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเลยอืเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะราคาญนะว่าพวกพวก บ, บา้าขทางศาสนาเดี้อนั่นแหละลูกชายยมเขา มันตองสงบต้องสง บ, ต, งสงบต้องหน้าเรื่มใสกริยาการากับกิริยาสงบไม่ใช่หผงผางไม่ใช่วุ่นวายใช่ี่ยโยมก็เลยแบบว่าโยมก็ขอพลังงานบวกที่โยมทําพลังงานบุญน่ะให้ช่วยเขาตอนเท้อนอนโยมก็สวดมนต์เขาก็ช่วยเขาไม่ได้ต้องพลังกรรมของเขาเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ ออืทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ขเขาเนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องของกรรมเนี่ยงั้นอย่าไปยุ่งเขาเลยดีต้องอยากเขามาขอความช่วยเหลือขอความปรึกษาให้มาให้เขาไปถ้าเขาไม่ขอก็อย่าไปอ ย, ไปย่าไปยุ่งเขาให้เสียเวลาแต่มันลูกเหมือนกันลูกก็ลูกอะ่ะลูกมันก็ลูกมันเป็นลูกมันเป็นทรารพีก็ได้เป็นอภิชา ต, ตบุตรก็ได้ ม, มันไม่ใช่ครับเป็นลูกแล้วมันจะต้องสั่งสอนได้เสนะมอ ไ, ไปบางทีก็สั่งสอนไม่ได้ก็มีจริงค่ะแต่ทีนี้เขาอะหูเบาเขาก็ไปบ้านนู้นเขาก็ไลิฟังมาทีนี้เราก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปได้ถ้าเรามีความหวังเรามีโอกาสเรายังมีสองมือสองเท้าคนพิการเขายังทำอาหารกินได้เลยเรายปคิดืก็ดีก็ทาไปทาได้ก็ทำไป ค่ะผู้อาวุโสแล้วแบบเหมือนกับว่าเขาไปฟังแล้วพวกทางนู้นเนี่ยเขาจะทำเขาเรียเล่นตลกอ่ะกับดวงจิตดวงวิญญาณของพี่ชายอ่ะเขาจะเล่าเรื่องตลกและทีนี้เราก็บอกว่าอย่าไปฟังสิ่งที่เราไม่เห็นเพราะว่าชีวิตของคนตายอ่ะเขารุกขึ้นมาอธิบายให้เราฟังไม่ได้เพราะเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วเราต้องหวโหติกรรมคือฟอร์กิฟอ่ะและเราเราไม่พูดถึงแล้วเราไม่ไม่แม้แต่จะเอาเขามาเล่นตลกนาะ เรากบอกว่าไม่ดีเลยนะเราทีนี้เราจะไปด่าพี่ชายเขาไอ้ลุงชายเขาเราก็ไปด่าไม่ได้ไงอาจารย์อ uh ือฮะเราก็เลยเฉยๆเราก็เลยต้องใจงเย็นๆน่ะ uh อือฮะถ้าพระอาจารย์โยมก็เลยตั้งสติวันนี้โยมออกไปทําภาษีมาโยมก็เลยเออไม่ได้ฟังทำพระอาจารย์เพิ่งมาฟังเมื่อตอนบ่ายก่อนจะเข้าฟังเนี้ยนะคะโยมเพราะว่าตอนนี้วันนี้ภาษีที่รักฐเบิกเขาเข้ า, ขาแล้วค่ะ ทุกคนจะต้องเริ่มเรียกภาษีคืนนะคะใช่แล้วทำหน้าที่เปอย่างนี้ถูกปับเหมือนเหมือนกับอเมริกาเลยค่ะอเมริากาก็มีวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านสาวัน ใช่สองลักเซมเบิร์กเริ่มวันที่แปดแล้วก็ทีนี้พอดีว่าเมื่อก่อนมันองค์การทุกอย่างอะ่ะมันจะอยู่ข้างในเมืองทีนี้เขาย้ายออกไปและทีนี้ปีนี้เขาจะให้เพิ่มคือให้เงินให้เงินคืนภาษีเะมากกว่าทุกปีเพราะมันมาประกอบกับว่าสงคารามภาวะสงครามแร่ช่วงนี้ทุกประเทศในยุโรปส่วนมากจะมีปัญหาอฝรั่งเศสก็น้ํามันขาดแคลนมีปัญหาหนักแล้วก็ เบลเยียมก็เอปัญหาเยอะเอ่อฮอลแลนด์ก็ปัญหาเยอะเอ่อเยอรมันกับลักเซนเบิร์กนี่แหละยินอยู่ดีดีเพราะว่าเอ่อลักเซนเบิร์กเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามี I E A ค่ะอเคใช่ต้องเห็เราไม่ต้องไปกังวลอย่างเั้นแล้วกันวลกัความทุกข์ของเราก็พอเนี่ยเพราะว่าโยมก็ตอนนี้โยมก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์เพราะโยมไม่ไม่ได้โกรธนานนะต่อวันนั้นน่ะโยมคือรู้สึกเออเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโกรธนะโอ้ยแล้วก็ มันกับมันจะลงมาพูดเลยอย่างเงี้ยมันมันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อยู่ๆคือโยมก็อธิบายให้พระอาจารย์ฟังไม่ถูกว่าทำไมโยมถึงอารมณ์เย็นและใจเย็นลงมาเลยแล้วก็ยิ้มออกไปแล้วก็บอกว่าก็พูดดีๆกับเขาโดยที่นึกถึงคาว่าเมตตาของพระอาจารย์แล้วยมก็คือใจโยมเย็นลงเลยอะ่ะแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเรารู้ว่าธรรมะที่เราเรียนมากับพระอาจารย์เนี่ย เราจะต้องทําให้เขาอะนั่งลงให้ได้แล้วเราก็สามารถทำได้ด้วยนะฮะมันมันทําให้ใจเราเย็นขึ้นค่ะถึงนี่โอเคนะมีอะไรไอืมยมไม่มียมจะมาบอกกับพระอาจารย์ว่าเอ่อวันที่พระอาจารย์อ่ะเือวันที่สิบสิบเอ็ดสิสองสิบสามสิบสี่ที่พระอาจารย์จะมีสวดหน้ากติอะ่ะโยมก็จะไม่ทําอะไรจะไม่ไปไหนเลยโยมจะนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไม่เป็นแนทด้วย เ อ, เอาจริงแล้วเนี่ยเนี่ยโยมเอาจริงแล้วเพราะว่าโยมจะทําถวายบิดามารดาโยมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วโยม <Okay. S 1> จะถวายด้วยค่ะโยม <Okay S 1> ตนะมาขอพลังพระอาจารย์หน่อยค่ะเพราะาบางวันมันก็มันไม่เสถียร น, นะ่ะพระอาจารย์อดีก็ขอให้เจริญตอนนี้อายุวันนู้สองสามวัง ขอให้พระอาจารย์ขอให้โยมได้โยงตาเห็นธรรมนะเอาข้างเดียวก็สองข้างนะการขอว่าคุณวราจารย์ได้ันกาว่านวันนี้ตลกเล่นหน่อย คุณจันทาหรือันทาเนี่ยเปประเทศลาวครับนรบนมาสการครับประอาจารย์อ่าเป็นยังไงบ้างได้ยินพุ่มฉัดไหมครับชัดเจนจ้ะโอเคครับงั้นไม่ต้องใส่หูฟังนะคบะดีกำลังดีครับครับระอาจารย์ครับมีอะไรไหม อินเทอร์เน็ตช้ามั้งครับอ๋อช้าใช่สัญญาณไม่ค่อยดีมังครับรอาจารย์ใช่ใช้มือถือหรือว่าใช้สัญญาณมือถือเรอาใช้ของไวไฟขออภัยด้วยครับไม่ค่อยได้ยิ น, นครั บ, รบสัญญาณไม่ค่อยดีครับรอาจารย์มันชาบันง่วงพูดคำค บ, บันย้ถึงนี่ได้คุยันไม่ดูวยเร็วครับ เองั้นก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนก็นแล้วกันนะครับครับระอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ขอให้คะอาจารย์แแรงนะคะอ่สาธุอ่าคุณมานิกาอ uh, ่ว่าธุับนมันารเจ้าค่ะผู้อารพอฟังจากจากตั้งแต่แรกนะครับอาจารย์ตั้งแต่จนถึง ตอนนี้ก็ก็หลายหลายท่านแล้วเนาะพอขึ้นมาก็ก็ได้รู้ว่าได้วันนี้ได้ได้เยอะมากเลยนะครัอาจารย์ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เดาติดที่ปฏิบัติแล้วติดเช่นการกําหนดเวลาค่ะลูกก็กําหนดเวลาชอบชอบนะว่ากําหนดเวลาต้องได้เท่านั้นเท่า น, นี้นะแล้วก็เวลานั่งอะไรประมาณนั้นนะครับอาจารย์ แล้วาาก็อะไรที่สองก็คือการนั่งโดยที่ว่าเราไม่ได้กําหนดแผนการว่าเลยเราจะทําอะไรเราค้างเอาไว้เสร็จแล้วคนนั่งไปแป๊บหนึ่งเอ้ยเอาค้างเอาไว้นไอ้นั้นยังไม่เสร็จอีนน้นก็ไม่เสร็จต้องรีบลุกขึ้นไปนะคะพระอาจารย์สิ่งเหล่านี้พอได้ความทำแล้วเราก็สามารถเอามาปรับปรุงได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ <S <S ได้ดีเยี่ยมมากเลยว่าโ อ, อนี่เนาะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ อีกข้อหนึ่งก็คือความอยาของเราความอยา ก, ก็คือเวลาปฏิบัติได้ดีเช่นจิตเราสงบนิ่งเย็นแล้วก็พอเราทำไม่ได้ก็เกิดความอยาเขาก็อาจารย์ก็คือวอ่าหาพาว่าต้องทำให้ได้อย่างนี้ต้องทาให้ได้อย่างนี้นะการคิดอย่างนี้มนไมมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์ อมันต้องรู้เหตุว่าจาทำตัวอย่งนี้ได้อย่างไงใช้เหตุใช่ผลคิดเอาอย่าคิดตามอารมณ์อย่าสั่งว่าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้มันสั่งไม่ได้มันอยู่ที่เหตุเหตุก็คือสติถ้าสติเราดีต่อเนื่องดีมันก็จะมันก็จะสงบดีถ้ามันสติไม่ดีมันก็จะไม่สงบดังนั้นเราควรอยู่ดูที่เหตุควบคุมที่เหตุอย่าไปควบคุมที่ผลควบคุมที่เหตุอย่าควบคุมที่ผล ผลแล้วพ่อคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ผลมันเป็นผลที่จะตามมาจากเหตุถ้าเห็นดีผลก็ดีเห็นไม่ดีผลก็ไม่ดีถ้าอยากให้ผลดีก็ต้องทําเหตุให้ดีคือสตใิใช่ใช่เจ้าค่ะวระอาจาก็คือความพร้อมของจิตความพร้อมของร่างกายความพร้อมของการที่อย่างนุ้หมายแค่ว่าคนนั่งลงปั๊ก เอา้าอัน้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็ จ, นนรจต้องลุกขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องเคลียงานก่อนเถอะก่อนที่เราจะมาเน่าเหมือนจะขึ้นเครื่องบินไนงะมันต้องเคลียทางรันเวย์ก่อนเดี๋ยวรถบินรถคันนั้นจอดอยู่ขวางทางอยู่มันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอืมเขาต้องเคลียร์รันเวย์ก่อนเครื่องมันจะได้บินขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวรถคันนั้นไปจอดรถคันนี้มาจอดมากลับรถตรงนั้นกับรถตรงนี้มันก็<อ>มันก็ไปไ ม, ไม่ได้ งั้ก่อนที่จะมานั่งตรงเคลียร์แล้วว่าไม่มีอะไรมาเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนอุปส ร, ออสรสรคมาอ้ายังทำอะไรไม่เสร็จกระทำมันเสร็จตอนการที่ว่าเราทําอะไรไม่เสร็จก็มันมาติดพันอยู่ที่เออนะความอยากความอยากโน่อนอยากนี่อยากจะทําโน่อนอยากจะทํานี่คืออยาก คือมันฟุ้งทําให้เรามันฝุ้งพอมันพุ้งแล้วก็เราทำปฏิบัติไม่ได้เสร็จแล้วเราทําให้เราไม่หงุดหงิดไม่ได้จังใจนั่นแหละคือปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ค่ะพอาจารย์อย่าไปอยากทำด้วยกาลังด้วยด้วยเหตุอย่าไปทำด้วยความอยากเจ้าข้าพระอาจารย์ติดทนติดมากอยู่ก็คือเอด ข้อนี้ค่ะพ่อจารย์ส่วนอะไรที่มันเกิดขึ้นเช่นอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนั้นถือลบลบรูปภาพแต่มาเป็นเอ่อเมื่อการได้ถึงอาทิตย์สองสามวันที่ผ่านมาต้องคือไปลบลายทั้งหมดเลยก็เลยก็นึกถึงพ่อจารย์ค่ะคำสอนของพ่อจารย์บอกว่ามาถึงใจนะสิ่งนี้มันให้เราทุกทุกที่มีรูปเล ย, ยในโทรศัพท์ ก็ลบลบเสร็จแล้วก็ลบหมดเลยก็หายหมดเลยก็เลยก็เอาก็จบลงไปตรงนั้นก็นั้นหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์มันปิดเปิดไม่ได้เหมือนกาที่ที่แล้วก็เลยบอกว่าอาก็ดีเหมือนกันเออนะสิ่งเหล่านี้ทําใจได้สิ่งเหล่านี้มันทําใจได้โดยที่ว่าได้ความคาสอนของผู้อาจารย์มาตระโลกเกิดการทราบซึง้งแล้วก็นํามาปฏิบัติแล้วก็ เอามาคิดและแต่ลองแล้วก็ปฏิบัติเกิดเกิดมันมันมันเกิดอะไรแบบทําให้มันไวขึ้นต่อาการตัดสินใจต่อาการที่จะละต่อาการที่จะวางแต่ก่อนว่าเราจะละหรือจะวางสิ่งเหล่านี้เราจะคิดถึงเช่นอนาคตก็ยังไปทบที่ ค, ดคาดฝันวาดขึ้นมานะว่าเป็นหญ่งไงหรือว่าอาดีตที่ผ่านมาแล้วก็เก็บมาคิดแต่นี้นั่นก็ปลงหนึ่งว่า สิ่งเหล่านี้มาสาเหตุมาจากที่ว่าที่เราคิดได้เพราะอายุมากหรือว่าเรารู้หรือเข้าไปค่ะว่าปัญญามากไหมปัญญาไม่ได้อยู่ที่อายุหรอกบางคนแก่หัวงอแต่ปัญญาน้อยก็มีคิดเหมือนเด็กก็มีเราคิดด้วยเหตุ mm hmm. ด้วยผลถึงเป็นปัญญาถ้าคิดด้วยอารมณ์ก็เป็นเด็ก อารมณ์คืออยากได้นูอนอยากได้นีอ่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอารมณ์ใช่ค่ะอาจารย์ลูกก็ไม่มีคำถามนะวันนี้ก็คือแค่มาเคลียร์ตรงที่ว่าอะไรที่วันเล็กๆน้อยๆที่มันขัดต่อกันหรืว่าเออนะความคาดหวังบ้างอะไรบางอ่างนี้ก็คือก็ หยุดมาไปใช่ไหมครับอาจารย์เดวยวันนี้ก็คือจะน้อมนําคําสอนของพู้อาจารย์ไปปฏิบัติในเรื่องของว่าถ้าเหตุดีผลก็ดีเจ้าค่ะอาจารย์โอเคใช้ามเพิ่มเจค่ะถามเพิคุณแนนต่ออันนี้อยู่ที่ไหนประเทศจมามัสการเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพไช่วงนี้ไม่ได้บินนะตรงนี้เพิ่งกลับมาได้สามวันวันนี้วันที่สามค่ะ แต่เดี๋ยวก็อีกอไปบินอีกทีช่วงสงกรานค่ะวันค่ะ ถ, ถ้าจงบินไปทางยุโลปนี้เขาต้องเขาเรียงไปทางไหนนช่นี่ตอนนี้ยุโรปที่บินหนูมีบินหนูชอบเรียกไม่ถูกหนูคื อ, อต้องบอกว่าหลวงพ่อว่าบินตามความเคยชินมากเลยเจ้าค่ะเหมือนบางที คือถ้าไปอังกฤษเนี่ยจะไปทาง格นแลนด์เจ้าค่ะคือ oh, <ะ> ไ, ไปทางเหนือใช่ค่ะแต่ถ้าไปฝรั่งเศสก็เหมือนจะไปทาง格林แลนด์เหมือนกันค่ะคือเหมือนมันจะมันจะบินยังไงที่ uh ไม่เหนียวค่ะถ้าไปยุโรปมันต้องเลี่ยงแต่วันออกเท่ัเยต้องเียงมื่อก่อนนี้บินผ่านได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ไฟล์ดูฮาที่ของเจ็บที่ของไฟลอ่าสายการบินหนูเขาก็คือยกเลิก ช่วคราวก็คือไม่มีบินไปตะวันออกกลางเจ้าค่ะก็จะมีแต่ว่าตัวตัวฝรั่งเศสกับอังกฤษที่บินประจําเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือยังเป็นรูทเดิมเพราะว่าปกติแต่ต้องอมหน่อยอ่าปกติเราไม่ได้ผ่านไปทางทางตุรกแล้วก็คือรูทเดิมไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ต้เห็นเจ้าค่ะถ้าเป็นฝรั่ง แต่ว่าแค่ตัดไฟลตะ ว, วันออกกลางออกไปเลยก็คือมีแค่ไฟ์เดียวก็คือดูหาเจ้าค่ะอื ม, <า>มกันดีค่ะกัดีเจ้าค่ะตอนนี้ก็เลยไฟลก็เลยอ่าเหมือนกับว่าไฟมันหายไปก็เลยได้บินน้อยลงหน่อยแต่ก็สบายก็ได้อยู่บ้านมากขึ้นเจ้าค่ะอืมแต่ว่าถ้างั้นพูดเลยสารน้อยลงไหมน้อยเลยเจ้าค่ะคนเดินทางเหมือนเดิมเจ้าค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเอ่อเดือนไม่ใช่เดือนหน้าเดือนมิถุนาเจ้าค่ะด้วยด้วยน้ํามันมันมันขึ้นราคาพวกตั๋วเครื่องบินขึ้นราคาไหลทั้งขึ้นราคาเจ้าค่ะก็เคยสถานการณ์ฟลอาจจะผู้โดยสารอาจจะน้อยลงลหรือไม่ก็ฟลอาจจะน้อยลงอืมช่วยเจ้าค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าอย่างอย่างสมมติขาออก บินไปได้ก็จริงแต่ว่าไฟล์ปลายทางอะคะ่ะเขาอาจจะไม่มีน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะตัดไม่ได้ไปแล้วกลับไม่ได้ะก็เลยอาจจะมีการตัดไฟล์อันนี้เท่าที่เห็นเขาคุยกันนะคะเหมือนกับอ่ากับตันที่หนูหนูเดินเจอเขาในสนามบินเขาก็คุยสถานการณ์กันว่าก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีไฟล์เหลือตน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพนัก ง, งานก็ต้องอลดลงด้วยค่ะแต่ก็เท่าที่ดูตอนนี้อ่าเขาไม่ได้มีพูด เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพวกพนักงานนะเจ้าคะ่ะก็คือเหมือนอยังปกติปกติค่ะแล้วไฟล์มายายยังเท่าเดิมหรือลดน้อยลงไหมยังเท่าเดิมเจ้าคะ่ะคือไม่ได้เหมือนกับว่าแเงินเดือนค่ะมัน<ต>ยังไมแไ่แต่ไฟล์แต่ไฟล์น้อยลงหน่อยไฟล์ที่หายไปของหนูจริงๆมีแค่โดูฮาเจ้าคะ่ะซึ่งซึ่งมีทุกเดือนอยู่แล้วก็เลยดูเหมือนกับว่ายังปกติอยู่สําหรับสายการพนักงานการบินนะคะไฟล์ปุ่นเยอะ แลผู้โดยสารแต่ผู้โดยสารลน ล, อลองไม่ลดค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่มแต่ว่าที่บอกว่ามิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยอ่าอาจจะต้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกการเดินทางฟไฟล์อาจจะน้อยลงผู้โดยสารจะน้อยลงอันนี้ก็ดูเดือนต่อเดือนเจ้าค่ะแต่ว่าถามว่า น, นี้ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมยังยังไม่เห็นชัดเจ้าค่ะโอเคค่ะนุ่มนี่ก็ไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์เลยเจ้าค่ะ เห้องเรียนคนเยอะตลอดเลยค่ะ ห, หนูเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินหลวงพ่ อ, อพูดเรื่องเรื่องการเรียนทฤษฎีมันไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมคะไอ้ลักษณ์หนูแอบบดีใจเจ้าค่ะเพราะว่าหนูเป็นพวกหนูเป็นพวกไม่ชอบเรียนหนังสืออมไม่เก่งที่เรียนถ้าจะจําเป็นองค์สา<ต>วพระเจ้าเหมือนเหมือนไม้ในป่าเนี่ยพตายไปดงนี้ เออคำสอนที่จาเป็นจริงๆถ้าใบมมกในกำเนะิตั้งแต่เด็กแล้วเจ้าค่ะหนูไม่ชอบเรียนหนังสือหนูรู้สึกหนูโง่อ่านหนังสือไม่พอ ร, รู้เรื่องเมื่อกี้พอ mm. หลวงพ่อให้เน้นปฏิบัตินี่หนูชอบเลยว่าหนูเป็นพวกชอบปฏิบัติมากกว่า <Hey. S 2> <laughs> ตอนตอนเมื่อสองปีก่อนที่ที่จะเริ่มมาหัดนั่งสมาธิกับหลวงพอ่อเจ้าค่ะหนูยังแอบแอบกังวลเลยว่าเราต้องมีความรู้มากขนาดไหนเนี่ย จะเริ่มปฏิบัติได้เนี่ยเพราะว่าคําคําศัพท์ทางคำนี่หนูไม่รู้เลยทุกวันนี้ขนาดวันนี้ก็ยังไม่แทบจะไม่รู้คําศัพท์เลยเจ้าค่ะฟังฟังเพิ่งจะมาเริ่มเข้าใจสเตตอะไรเงี้ยขนาดคําว่าสมาธิกับสติหนูยังเมื่อก่อนหนูยังแยกไม่ออกเลยอะไรมาก่อนมาหลังอย่างเงี้ยเจ้าค่ะภาษาภาษาในในภาษาไทยเราใช้สลับกันใช้แทนกันวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํา ง, งานเลยน่ะผิดแล้ว มันต้องเป็นมันไม่มีสติอยู่กับงานเลยสมาธิทางโลกมันมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกสมาธิต้องมาเป็นพวกเข้าฌานนั้นนี่เป็นสมาธิแต่มันใช้สับกันปนกันไปไปงงกันหมดเวลาพระพูดสติก็คิดว่าเป็นสมาธิพระพูดสมาธิก็คิดว่าเป็นสติมันก็เลยสอนกันไม่รู้เรื่อง นี่หนูเลยแบบเนี่ยเพิ่งมาพอได้เข้ามามาได้สองปีมามาได้เจอหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูก็เลยได้ได้มีความรู้เข้ามาพอที่จะให้หัดนั่งปฏิบัติได้เจ้าค่ะอออืมงไม่ต้องรู้มากเรื่องสติปัฐานสูตรสูตรเดียวก็พอยิ่งพอหลวงพ่อพูดว่าไม่ต้องรู้มากนี่หนูยิ่งดีใจเลยหนูไม่ต้องไปเรียนเยอะเอแค่จเรียนก็เรียนสติปัฐานสูตรเท่านั้นพอไปอ่านจบ พยายามจบตั้งพะสูุรด้ยงยังเจ้าค่ะยังไม่ลองเลยนะไม่ได้ลองหนูได้คำรู้เยอะนะคำรู้ที่จำเป็นสําคัญคำรู้ที่เราจะต้องนํามามาปฏิบัติองได้ค่ะเดหนูจะอ่านอ่านอันนี้อะไรนะคะหลวงพ่อปฏิปฐานปฏิปฐานใช่ไหมคะที่อ่านอ่านคำแปลนะอย่าไปอ่านภาษาบาลีอ่านภาษาบาลีเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอ่านแล้วไปอ่านคําแปลเป็นไทย ที่เรามีหนังสือที่เรียกว่าอะไรเบนจะเป็นจะอะไรเนี้ยเบนจะสูตรเนี่ยมีห้าสูตรด้วยกันหนังสือเล่มนี้ที่เราแนะนําให้คน อ, าอ่านกันอันหนึ่งก็เป็นสติปัฏฐานสูตรก็คือรูดูอ่านแค่ห้าห้าสูตรนี้ก็กล้วยได้ไม่ยาก<ห>เลยอ่านจะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆ เร า, าต้องการจากความทุกข์ชนะไม่ต้องการที่จะรู้อะไรมากมายสวันที่นี้หนูก็กิเลสแอบชนะบ่อยเจ้าค่ะคือเหมือนกับแอบปล่อยให้แบบว่าปล่อยไม่ได้ไม่ได้ฝืนนั่งสมาธิได้ทุกวันนะครมัมีปล่อยปล่อยให้ท้กิเลสชนะไปแต่ว่าก็ ยังพยายามฝืนตัวเองเอาชนะก็คือพยายามอย่างน้อยก็บอกเองอเอาสักสิบนาทีก็ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องนั่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แอบ<ม> ถ, อถอยหลังไปหน่อยหนึ่งสองอาทิตนี้คือการปฏิบัติมันสําคัญกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างอ่านหนังสือกับการปฏิบัติก็ปฏิบัติดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าหลังจากเรามีเวลามากมีเวลาว่างก็อาจจะดูหนังสือบ้า ง, งเพื่อเสริมความเข้าอกเข้าใจในการปฏิบัติของเราว่า แบบมันมันควรจะเป็นยังไงตอนนี้หนูก็ยังฝึกเหมือนที่ที่เรียนหลวงพ่ออไปอ่ะค่ะก็คือหยุดหยุดความคิดเจ้าค่ะพ อ, อชินกับการที่จะบอกให้มันแบบบอกตัวเองให้หยุดคิดได้ได้ดีขึ้นเจ้าค่ะแบบปล่อยให้มันให้มั น, ใ ห, มนให้มันเหมือนกับให้เป็นแค่ผู้รู้อะเจ้าค่ะบอกตัวเองใช่ผู้ร<ป>ู้ไปเดี๋ยวหยุดพู้คิดเดี๋ยว เราจะอะไรแต่ผู้รู้ผู้รู้นี่เราไม่น่าทําะไรผู้รู้ถูกผู้คิดนั้นบังไหมหนูก็เลยเหมือนกับเหมือนกับหนูแอปแอปดีใจนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเหมือนแบบพอค่อยๆถ้าถ้าได้ได้นั่งทุกวันนะเจ้าค่ะที่ผ่านมาที่พยายามนั่งทุกวันนะค่ะมันมันก็เห็นความพัฒนาทีละนิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ความพัฒนาแต่มันเป็นเป็นความที่ทําให้เราได้เห็นว่าเออจุดตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะจริงๆถ้าเรามันคือถ้าทําอย่างนี้มันจะดีกว่า อ๋อตรงนี้มันผิดจริงๆถ้านั่งแล้วคิดอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนให้ให้เหมือนมีการพัฒนาเจ้าคะ่ะมันเหมือนกับมันมีประสบการณ์ลองผิดลองถูกไปก่อนค่ะตอนนี้หนูก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าได้ไ ด, ได้ได้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับได้ได้ค่อยๆเจอจุดที่โอเคมันมันทําให้ได้ได้พัฒนาไปทําทแบบนี้แล้วจะเบาขึ้นเย็ยนขึ้นตอนที่ร่วงดายโุ้งร้างเนี่ย อย่างเมื่อก่อนหนูหนูก็ไม่เข้าใจคําว่าผู้รู้กับผู้คิดใช่ไหมคะหนูก็งงคืออะไรทําไมต้องเดี๋ยวพมานพีนผู้รู้แล้วผู้รู้ผู้คิดคือคนเดียวกันนี่แหละมันอะไรอย่างนี้จนตอนนี้หนูหนูหนูได้พัฒนาอีกขั้นคือหนูรู้ว่าอ๋อก็ก็เราก็ไม่ต้องคิดก็แค่มองให้มันให้เป็นผู้รู้ไม่รู้เฉยๆก็เลยการเป็นอ๋อโอเคก็แค่มองนั่นก็คือเป็นการหยุดคิดแล้วก็แค่มองให้ใช่พอคิดตรงนี้ได้พอคิดตรงนี้ได้ก็เลยกลายเป็นว่า หนูสามารถหยุดคิดได้เร็วขึ้นนะคะ<ช>ได้แบบ<ช>ได้มีประสิทธิภาพอะค่ะถ<ช>้ า, ามามโนไปเองว่าบอกเองว่านี่ต้องหยุดคิดอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนมันเป็นการบอกตัวเองว่าต้องหยุดคิดแต่ตอนนี้คือรู้แล้วว่าอ๋อเราก็ไม่ต้องไปบอกเราก็แค่มองว่าโอเคตอนนี้เฉยเฉยหนูหนูก็เลยแอบดีใจวันนี้มันบอกพระอาจารย์ว่าหนูคิดว่าว่ามาถูกทางอีกขั้นหนึ่งเจ<ช>้าค<ช>่ะแต่ขั้นต่อไปถ้าเราได้ สมาธิแล้วขั้นลงไปก็สอนให้มันคิดเนี่ยเวามันจะคิดให้มันคิดอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอ๋อไอ้นี่ก็เป็นอนิจจังอ้นี่ก็เป็นทุกข์ไอ้นี่ก็เป็นอนัตตามันจะได้ปล่อยวางง่ายี่เป็นขั้นอันนี้เขาเรียกเป็นการปัญญาสอนปัญญาจารณาเห็นอะไรเห็นร่างกายก็เป็นอนิจจังทันทีเห็นเป็นอสุภะทันทีแต่ว่าจริงๆหนูก็ยังไม่ได้ความสงบได้ในระดับที่ ที่ที่ดีพอฮะหนูควรเอาความสงบไปก่อนได้ไปให้ได้ให้ได้ดีหมดเลยเลยแล้วบางทีถ้าเกิดคิดขึ้นมาก็ให้มันคิดไปทำมันนิจจ์ทุกข์ของเราตาไปแต่ว่ายังไม่ต้องไปถือไปงานงานเป็นกิตจาลักษณะไปงานเสริมก็แล้วกันถ้าเกิดเราเพอไม่คิดอะไรเห็นนั่นนั่นสวยเห็นนั่นนั่นดีก็อยไม่ใช่นะมันเป็นทุกข์นะอืมันไม่เที่ยงนะเราลองนี้ให้คิดเอาเนี้ มันจะได้ความอยากได้เสียไม้นเดี๋ยวเผือไอ้นี่ก็สวยไอ้นี่ก็ดีเสียเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ ว, ลวเอามาเกะขาบ้านไม่ไปทําอะไรผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกิเลส ท, ทางด้านความสวยงามเจ้ะค่ะหลวงพ่อแต่จะยังจะมีกิเลสเรื่องควา ม, มอร่อยนั่งกินอยู่นังกินอยู่ต้องพยาพยามปฏิบุริของอาหารอาหารอะไรเป็นปฏิบุริเป็นยังไง ไม่รู้จะบอกหลงวงพ่อให้หนูเนี่ยแอบนิสัยคือหนูว่าแอบมีความเข้มแข็งเวลาหนูหนูคิดถึงปฏิกูลหนูก็ยังสามารถทานอาหารได้ได้อยู่นะที่บอ <laughs> ว่าหนูยังมีความความสุขกินเลยมันแสดงินเลยมันยังแรงอยู่ <laughs> อาจจะต้ององาศัยให้จิตมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นก่อนถึงจะสามารถเห็นมันได้ยังยั ง, ย, งยังติดเรื่องกินกับเรื่อง การนอนเพราะ ม, มันเหมือนกับมันเป็นความสุขสองอย่างที่ที่หนึ่งเป็นความสุขพื้นฐานกิอนนอนแต่เรื่องซื้อของนงเนิดตัดได้แล้วก็ดีสบายไหยของฟุง่มเฟือยต่างๆตัดได้กันดีไหมค่ะของซื้อไปฟารีเห็นของแบรนด์เนมเดี๋ยวนี้ก็คือไม่สนเลยไม่ได้ซื้ อ, อม<ด>ไม่เด็อะไรเวลาเข้าน้าก็คิดถึงเนี้ยอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้ว S <S สอนไปเรื่อยๆค่อยๆสอนไปเรื<า> <ๆ S 2> ่อยๆแล้วตอเวลาเจริญใจกินอาหารมัต้องออกไปเป็นอย่างนี้นะมั น, นจะนะนลดได้มันก็จะลดได้เรื่องกินมันยังเป็นมันยังสนุกยังมันถ้่เราไ ม, ถาาไม่ถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยกินเพื่ออยู่ได้อยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินก็แล้วกันเหมือนก็เป็นเป็นมื้อของในแต่ละวันนี่ค่ะแต่ว่าในหนึ่งมื้อน่ะมันก็ยังมีความ มีสิ่งที่หนูชอบที่จะกินหนูก็ก็กินแต่ก็คือเลยอะไรก็ให้มันกินแบบง่ายๆอยู่อะไรใกล้อะไรก็กินนะเลยก็ยังแอบเลือกนิดนึงเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมเดนนี๋ยวจะไงวันศุกร์นี้หนูจะไปทำบุญแล้วก็จะไปกราบหลวงพ่อจะพาไปไปรับพลังงานดีๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าสอง ผ่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติจริงจังเท่าไหร่แอบหมดเจ้าค่ะค่ะคุณมาลีต์เป็นไงอย่ขั้นใดอยู่ขั้นสติขั้นสมาธินักขั้นปัญญาที่อยู่ทั้งสามขั้นเลยอยู่อยู่พยายามอยู่ให้หมดทั้งสามขั้นนี้ข้าหลวงพ่อหลวงพ่อหนุ่มูได้เห็นแล้วก็ได้ รู้สึกถึงสภาวะตรงที่จิตเนี่ยมันมันมันไม่มีทุกข์มันไม่ไม่มีสุขมันไม่มีดีใจมันไม่เสียใจมันไม่มีชอบไม่ชอบแบบนี้ข้าะหนุ่มพ่อแล้วจิตเนี่ยมันมันนิ่งมันเฉยมันมันโล่งมันว่างมันว่างจากความคิดที่จะปุงจะแต่งแต่นั่นก็ไม่เที่ยงว่ใช่ค่ะหลุ่พ่อเห็นเห็นอยู่ค่ะหนุ่มพ่อแล้วก็ แล้วมันก็เห็นยังไปล้มกับมันก็มันค่ะหลวงพ่อมันรู้ว่ามัาานเป็นสภาวะทำอย่างหนึ่งที่เป็นของไม่เที่ยงค่ะไม่นที่จังเป็นอนตัตตาค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วแล้วมันก็ได้เห็นไอไ อ, อสภ า, าวะตรงเนี้ยว่ามันมันไม่มีเราค่ะหล <ifall> วงพ่อ ม, มันไม่มีตัวเรามันมันไม่มีตัวตัวครูของครูแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วอีกข้างนึงอ่ะมันก็เห็นว่า ขันเนี่ยมันยังทําหน้าที่มันยังคิดมันยังปรงของมันอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไอ้รู้ตัวเนี้ยไอ้จิตตัวเนี้ยมันมันพอมันเห็นอะมันทันอะไอ้ความคิดความปรงตรงนั้นอะมันก็เป็นแค่เหมือนอาการหรือว่าเออเป็นอารมณ์อะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็มันกระดับลงไปะค่ะหลวงพ่อสิ่งที่หนูจะเรียนหลวงพ่อคือหนูไม่เคยเห็นตอนแรกเลยว่าจริงๆแค้จริงไอ้จิตตัวเนี้ย ที่มันมันนิ่งมันเฉยมันเบามันโป่งมันโล่งมันว่างตัวเนี้ยถ้ามองลึกๆลงไปแล้วมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วแล้วเหมือนจิตใจอ่ะมันเบามันสบายแต่ว่ามันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นหมดไอ้ขังที่มันปุงอ่ะมันมันก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่าพอหนูมาอยู่กับไอ้จิตตัวเนี้ยไอ้รู้ตัวเนี้ยมัน มันโป่งมันโล่งมันสบายจนหมดเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็รู้ทุกอย่างว่ามันมันก็แค่เป็นเป็นสภาวะอันหนึ่งแต่ว่าหนูไม่ไม่ได้เข้าไปจมในความสุขความว่างอันตรงนี้ค่ะหลวงพ่อมันแค่แค่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเออรู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปค่ะหลวงพ่อเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นหยดน้ามนตใบบัว ค่ะหลคั้งตมันก็มีมีสูงไม่ต่ำมีดีมีไม่ดีค่ะเวลามันสูงมันอย่างนี้เวลาดีมันเป็นอย่างนี้บางเวลามันก็มองต่ำได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่มันเหมือนมันมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าหนูยังเหมือนยังเห็นเห็นแบบมันมันยังไม่หลุดไม่ขาด อะไรสักอย่างหนูก็ไม่แน่ใจนะคะหลวงพ่อเวลามันเปลี่ยนไปก็อย่าไปทุกข์กับมันไงค่ะหลวงพ่อมันต้องเปลี่ยนไม้เมันของไม่เที่ยงไม่ใด่เลยมันมันไม่เที่ยงค่ะหลวงพ่อก็คือได้ได้แค่รู้มันเฉยๆแค่แค่นั้นนะคะหลวงพ่อแล้วไปทุกข์กับมันแล้วเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมนมันหมดไปไม่ไม่ไม่ทุกข์ค่ะหลวงพ่อคือแค่ แค่มันเหมือนมันมาแสดงอาการให้เราดูเฉยๆขนเหมือนเหมือนเมฆบนท้องฟ้าเลยมันมาเดี๋ยวมันก็ไปค่ะหลวงพ่อแต่นั้นนะค่ะหนูสังเกตอีกอย่างหนึงคือว่าใอ้ให้ราค้าทงสระอะไรของหนูอ่ะมันเหมือนมันน้อยมันจางๆลงไปเรื่อยๆค่ะที่หนูสังเกตเนนะคะนั่งอย่างประมาณอืมต้องคอยระวัง่เวนะ เวลาเราไปประมาณว่ามันไม่มีแล้วมันก็จะโผล่ให้มาโดยที่เราไม่รู้องเสกตัวข้าหลวง่ อ, อหลวจะเพียนรักษาแล้วก็ดูแลไปได้เรื่อไอ้ตัวที่น่าปอยกําใจก็คือความโลภโกรธหลงนี่ฮะข้าหลวงพ่อกำจากด้วยตายกะข้าหลวงพ่ อ, อมันมันไม่มีอะไรเที่ยงมันมันมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับอือ ม, มันเป็นทีก่กลาไปเยอะไปติดมัน ข้าหลวงพ่ อ, อนะวันนี้หนกุก็ข้าหลวงพ่อก็รายงานประมาณนี้ข้าหลวงพ่อค อ, อยสังเกตดูมีทุกข์หรือเปล่านะถ้าไม่มีทุกข์ก็โอเคถ้าทุกข์เมื่อไรก็ต้องหาเหตุแล้วก็ดับมันได้ค่ะหลวงพ่อโอเคนะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออ๋ออันนี้คุณตัณฑิตาอันนีบบ้กลับมาเมืองไทยเหรอ นกกามสกันพระอาจารย์ขอรับตอนนี้ยังยังไม่ได้กลับเมืองไทยครับอยู่ไต้หวันอยู่ครับเออเดี๋ยวมันเปลี่ยนที่อยู่ยังไงวันนี้อ๋อย้ายมาอยู่มาพักอยู่กับบ้านของหัวหน้าครับเป็นเป็นคอนโดครับมเดี๋ยวแบ่งให้บรรยากาที่เคยอยู่ ม, มันรู้เหมือนหนู <laughs> ครับ เขาให้มาอยู่ด้วยถึงปีใหม่ครับปีใหม่แล้วก็จะได้กลับไปอยู่หองพักเหมือนเดิมครับแต่ก็ทำงานเหมือนเดิมปีใหม่แล้วสิ้นปีครับสิ้นปีนี้ก็ย้ายไปยี่หองพักเก่าแล้วครับทำไมเขาย้ายไปอยู่มันทอพักเก่าซ่อมยไม่ครับอันนี้มามาอยู่กับหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้างานครับมาอยู่ชั่วคราวครับ เหนีวกับเขาเชื่อขาครับไมดีนะดีก็อยีเดียวันครับดีอยู่ครับเพราะว่ามันได้มีเวลาปฏิบัติเยอะครับอืมปฏิบัติก็กลังฝึกเรียนเอสาหังครับพระอาจารย์เรี่มล้วนนะออะไรนะครับท้องน่าอะไรยังเขาเพิ่งหัดเรียนครับแต่วันนี้ วันวันนี้ก็ได้ได้รู้กับท่านที่พูดมาก่อนว่ า, าตัวรู้กับผู้คิดมันติดกันอยู่ที่ป้าจารยนบอกครับเพราะผมจะติดตรงนี้ครับติดติดตรงตัวผู้รู้นะครับ ต, รตัวผู้คิดตัวรู้ไม่มีปัญหาตัวเป็นมหาคือตัวคิดตัวคิดเป็นตัวสร้างความถุก <c oughs> ครับอาจาน เพราะว่ า, าเวลา <c oughs> เวลาผมรู้แต่ผมไม่รู้ว่าตัวพูดรู้นะครับก็ <c oughs> ยังหลงอยู่เลยยังหล ง, ง, งไม่มีสติไม่มีปัญญา ย, กยากแยะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆนะก็จะมีสติมีปัญญารู้จักยยกเยะเองครับอาจารย์อันนี้หยุดหยุดทูดคิดให้ได้ก่อนนะพี่ เ อ, อยู่พวกคิดน้อกันอย่างนี้แต่พวกรู้เองมองว่เาเราเรื่องอ๋อพวกรู้เป็นอย่างนี้พวกคิดเป็นอย่างนี้เวลาตัวกันกลับอาจารย์โอเคจะกลับมาบ้านบ่นื่าเดี๋ยวอีกสองปีครับว่าจะอยู่ให้มันครบสิบสองแล้วก็กลับเลยครับอาจารย์อยู่ก็เขามีรางวัลให้เลยมีโบนัสให้ก็มีเงินให้ครับแล้วก็มีเอาไว้ เป็นจลาภาพด้วยครับจลาภาพทำอีนน้สองปีมีมีเ ง, งินนมนานมันสอสอนได้ครับพอพอพอได้ไปทําบุญเพิ่มกับป้าอาจารย์อโอเ ค, อเคชื่อมาเป็นสอสอนเงไทยไม่ได้ทำแค่ฟีหนึ่งก็ได้นมนานแล้วครับป้าอาจารย์วันนี้เข้ามากล่าวป้าอาจารย์เติมพลังครับเข้ามาก็มีพลังใจ พลังงานเพิ่มมากครับอาจารย์โอเคดีสาธุเอาไปใช้ให้เต็มที่นะพลังนี่เป็นพลังใจที่สำคัญครับอาจารย์โอเคไปที่คุณยินดีต่อา่อาจารย์ก็ลูกก็ฟังทมกับเพื่อนๆนทุกท่านนะคะก็บางทีเราก็ผ่านมานะค่ะ คือทุกคนก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะในการปฏิบัติอย่างของคุณจุ๊เนี่ยค่ะลูกก็เคยเป็นค่ะไม่ใช่ลูกไม่เคยเป็นแล้วพอวันนี้ได้มาได้มาฟังของคุณจุ๊บก็ทำให้นึกถึงตัวเราเหมือนกันดีค่ะท่านอาจารย์วันนี้ะค่ ะ, คะดีนะได้รู้ว่าความรู้ท่าหัวเป็นยังไงนะ เมื่อคาวก่อนฮันลูกเขเป็นคล้ายๆคุณจุ๊บปะค่ะเรื่องที่ว่าภาษาบาลีอะค่ะแล้วก็แล้วก็มังแล้วก็อภาษาอังกฤษอะค่ะถ้าอาจารย์ว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรแล้วพอเสร็จแล้วเคยมาฟังทำท่านอาจารย์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์แต่ช่วงที่เรียนแรกๆอะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องสนใจแบบก็ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจพอเสร็จแล้วพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆแล้วก็มาคลิกอีกทีนึงค่ะว่า ก็ที่อาจารย์พูดอะค่ะว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแล้วจะไปวุ่นวายอะไรทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะก็เลยแบบมาทางอาจารย์มันง่ายค่ะท่านอาจารย์แล้วแบบพอเวลาเราไปฟังทำแบบกับท่านอื่นท่านอื่นท่านอื่ น, า น, น, า น, นบางทีมันก็ทําให้เกิดการสับสนนะค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยหนูก็เลยไม่เอาแล้วแบบคือไม่เอาแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟังอะไรแล้วเพราะเพราะว่ามันมันมันมันวุ่นวายแล้วมันอะไรแบบ โย้อนแทนที้จะสนับกับกับฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยนะความรู้ควารู้ก็ความฟุ้งซ่านใช่กระต้านใจมันใช่การกายมันจิตฟุ้งไปเลยแบบตกูจอยังไงกันแน่สุดท้ายหนูเลยแบบโอ้ยไม่เอาแล้วหนูหนูเดินท่านทางท่านอาจารย์เนี่ยค่ะแบบมันง่ายแล้วมันก็เรียบแล้วแบบมันมันมันไม่ปวดหัวค่ะแล้วไม่มันไม่ปุ้งค่ะท่านอาจารย์อมือที่แบบพอเข้าใจพอพอเรา นึ่งในใจแบบช่วงเริ่มต้นต้องแบบทีเดียวไปก่อนนะคะแล้วถ้าอาจาย์ไปฟังมากๆมันเยอะแล้วก็เหมือนได<ม>้าพอสรุปก็คือความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดนะคะท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไร <Okay. S 1> ก็ก็สนุกดีค่ะวันนี้พอมาเจอคือไอ้ความรู้ต่างๆในที่เรียนกันนี้มันสำหรับคนที่ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจยังปฏิบัติไม่ได้ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลย ต้องหาอะไรทาไปพางก่อนเดียนพระตไตรปิฎกเรียบาลีเรียนอะไรไปก่อนใช่ค่ะอาจารย์มันไม่ได้เป็นความรู้ที่อยางระดับความทุกข์ได้เลยเคยคิดแค่ว่าเอ้ต้องไปซื้ออพระไตรปุญโกร่างอ่านไม่นออะไรเงี้ยแบบเคยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็หนูแบบแบบพอเนี่ยคะ่ะเคยเคยเป็นคะ่ะท่านอาจารย์ก็พอมาฟังก็ถึงบอกอย่างเงี้ยญาติธรรมในห้องเวลาเราแบบพอมาฟังแล้วเราก็ทําให้เกิด เกิดดูดูตัวเราในสมัยก่อ น, นะคะที่เป็นแบบนี้มีเหมือนกันก็เลยแบบค่ะแล้วก็อย่างของ David, เดวิดทุกวนันนี้บางทีแบบคือเขานั่งไปใช่ไหมลูกก็บางทีก็อยากจะแบบว่าเอ อ, อธิบายเขาฟังว่า อ, อทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์แต่บางทีก็ อ, อไม่ต้องให้มันให้ให้เขานั่งไปงั้นแหละแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะรู้ของเขาเองแต่บางทีหนูก็เคยพูด ตอนเวลาเราเดินออกไปแบบเดินออกไปเดินออกกําลังกายเนี่ยค่ะบางทีหนูก็พูดถึงว่าอย่างในกรณีที่ว่าเราเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเออคือเดวิจะชอบถามเดวิจะชอบถามอะค่ะว่าว่าในซูมพูดอะไรกันบ้างอะไรหนึ่งเนี้ยค่ะเรียนอะไรกันบ้างหรือก็จะอธิบายเขาฟังแต่เวลาอธิบายก็เข้าใจว่าเขาไม่เขาเขาเขาเข า, เขาไ ม, เาไม่เขาไม่ฟังเราเหมือนกับว่าเขาต้องการแบบเ อ, อเราพูดเฉย แต่พอวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะหนูบอกในเมื่อมีมีเวลาเยอะในเมื่อมีเวลาเยอะไม่ได้ทํางานนั่งไปซิ่งนั่งแบบให้นั่งจนกระทั่งแบบว่าพ้นไปได้ไหมแบบพ้นพ้นที่ที่ ท, ที่ที่เราเราเร า, เราเจ็บได้ไหมเขาเขาบอกเขาลองทําแล้วหนูบอกมันเป็นยังไงแล้วเขาก็าบอกว่าเอ่อเออขาก็บอกว่า มันมันมันปวดเขาบอกมันมีมันมีความรู้ส so so okay. so so so so so okay. ึกว่ามันปวดแต่มันปวดแต่เขาก็ไม่ได้ไปอะไรกับมันเขาเขาเขาาแยกได้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบคือที่เราพูดไปบางครั้งบางคราวเราคิดว่าเขาไม่ได้ฟังแต่ท้ายเขาก็ฟังเหมือนกันลูกก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะอาจารย์ลองใช้ดีอ่ะแล้วก็เป็นเป็นการแนะนำช่วยแนะนำเขาว่าอันนี้ไม่ได้ว่าสอนมันช่วยกันช่วยกันแนะแนว แต่บางทีเขาเขาเขาก็ดื้อ น, นะคะแบบบางทีบอกไม่ไม่ต้องอยากรู้เขาบอกเนี่ยเขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้เขาว่าเขานั่งยังไงอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นที่อยากจะรูวญญ้ว่าเนื้อบรยาการะหว่านแค่ความสมบกันอันนั้นหนูก็ปล่อยเขาไปก่อนอใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ท่ า, ทานอาจารย์ค่ะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็<อ>วันนี้ก็เป็นเดนอาจารย์รู้ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะสาธุค่ะคุณบุญน้อมยังอยู่ที่เซเลมแล้วแบ นี่กลบมาเมืองไทยนะ้วอยากนั่งมาตรการเจ้าคหลวงพ่อคงไม่ได้กลับงา่ายนะค่ะน้ำมันแพงอ่ะถตัวมันไม่มีอะไรให้ห่วงแล้วเจ้าคหลวงพ่อก็มุ่ <c oughs> มงเน้นเรื่องการทุกอย่างเรียบร้อยแล้นค่ะหลวงพ่อทุอย่างเรียบร้อยแล้วที่บ้านเรียบร้อยมากที่สุดแล้วเจ้าค่ะยัง hmm. มันรู้สึกวางอะไรไปได้เยอะมากเจ้าค่ะหลวงพอ่อก็ hmm. <c oughs> ในที่สุดเรากอร็อยไปไม่ได้อยู่ดีนะเจ้าค่ะนะก็พิจารณาความตายพิจารณาการเกิดการดับเจ้าค่ะหลวงพอ่อตั้งแต่ตื่นจนหลับเจ้าค่ะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่ว่แค่นี้ก็พอแล้วกินเจ้าค่ะลูกไม่ต้องการเดียวมไม่ต้องการอะไรแล้วเจ้าค่ะหลวงพอ่อก็แค่ดํารงร่างกายนี้ให้อ่ารักษ า, าไว้เพื่อปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะหลวงพอ่อจนกว่าจะถึงทางพ้นทุก์ ก็ค่อยละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ไม่ทิ้งเรื่องการปฏิบัติจ้ะขอบขอบขอบขอบคุณในทําคําสั่งสอนทําให้ลูกมีอ่าการใช้คําว่ามีดวงตาเห็นธรรมเจ้าค่ะหลวงพ่อข้างซายหรือข้างขวาดวข้าเนี่ยเจ้าค่ะดวงตาเนี่ยสองดวงหรือดวงเดียวกันตรงไหนดวงเดียวค่ะหลวงพ่อเพราะว่าข้างเนี้ย ครังนี้เป็นมาตั้งแต่หกเดือนอเห็นพี่ชายเล่าให้ฟังนะคะอก็ไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจก็ยังต้องขอบคุณบิดามารดาที่ได้ทำให้ลูกเกิดมาได้ได้ใช้กายนี้ได้สร้างกรรมดีเจ้าค่ะหลวงพอ่อต้องเข้าใจนะครัว่าดวงตาเห็นทำนี่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงดวงตานะมันหมายถึงปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วคนมานั่งคิดดวงตาเห็นทำนี่กี่ดุ ต้องใช้ตากี่ดวงวะสองดวงหรือดวงเดียวใช่จช่ค่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้มีดวงตาเพียงแต่อุปมาอุปมาพูดไปดวงตาคือดวงตาก็คือปัญญาและแสงสว่างแห่งธรรมแล้วค่ะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงจริงๆค่ะเกิดมาชาตินี้ยังได้ยังมีโอกาสมีบุญจ้าค่ะหลวงพ่อให้เข้าใจแค่นี้ก็ถือว่าได้บุญท่้นเนี่ย แต่เขาจะทำมาแล้วทั้งทำใจหน้ารถทั้งปูนนี่ก็ถือว่าได้ในไรไปเยอะแล้วค่ะไม่ไม่ทิ้งเจ้าค่ะหลวงพ่อแสดงว่าได้ความสงบต้องได้ความสงบมันถึงจะพูดได้แยกได้เจ้าค่ะหลวงพ่อก็ก็เห็นเห็นไม่ไม่ไม่จิตมันไม่ได้เล่าร้อนกับสิ่งใดใดเจ้าค่ะหลวงพ่อใครเล่าอะไรมาก็ฟังก็คือสามารถอยู่ในในวงที่ใครสนทนาอะไรก็ได้แต่ใจไม่ ไม่ไปเก็บสิ่งเหล่านั้นมาเป็นทุกข์มันอ ย, นอยู่มันเฉยๆเจ้าค่ะหลวงพ่องแต่ว่ารู้ไ ป, ไปใช่จ้ค่ะศัก์แต่ว่ารู้ยังไงก็ได้จ้าค่ะไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก<ม>็ปล่อยวางเ<ม>จ้จค่ะถ้ามันมันจะมีเข้ามาเหมือนสัญญาดเดิมก็ก็ไม่ได้นานจ้าค่ะก็กำหนดแล้วก็มองเป็นอุเบกอ่ะมองเป็นมันไม่เที่ยงไปจ้าค่ะ แมวเป็นตายนักเลยจา้าค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพอ <สา S 2> ่อีกคั้งด้วยค่ะคุณหมอสุทธาเสนเป็นยังไงมีทั้งปัญญามีทั้งความสงบไห ม, มคิดว่ามีเจ้าค่ ะ, ะปัญญาไม่ตัดกิเลสความสงบไว้ให้ความสุขกับใจจา้าค่ะท่านอาจารย์อวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะ ดีครับปฏิบัติต่อไปนะน้องพีเควันนี้ไม่ได้มาเลยกล่านมาสการ์ค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาตอนสองทุ่มห้านาทีค่ะพอดีีเครื่องลงตอนสองทุ่มแล้วก็รออิมิลกนต์อยู่ค่ะน้องคนนั้นตรงนี้กลมาจากญี่ปุ่นเละ ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นค่ะพระอาจารย์เราคนน่าเดียวคนนี้ยังไม่ไเอาค่ะขยิบไปให้ต้าสวัสดีครับตามมาสรุกพเชิญไวไง่วงนอนไหมที่ญี่ปุ่นตอนนี้หลายทุมแล้วนะาทุมแล้วนค่ะพระอาจารย์ยังต่างกาแป๋วอยู่เลยค่ะเนอ่ดีใจไม่ได้กลับไปญี่ปุ่นไม่ใชแกออกอะพระอาจารย์ถามลูกดีใจไม่ ไปทญี่ปุ่นเราดีใจไหมจ้าดีใจกัอาจารในภาษาญี่ปุ่นแล้วนะนุ่นี่าตทำรู้เรื่องไหมใจย็นน่าล่ะคุณน่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นว่านคุณแต่อาจารย์ก่อนรู้อล้ก่อข้าอจาไปไปนอนได้แล้วปค่ะคุณนักคุณนะคุณ ค่ะพระอาจารย์มากราบขอพลังอาทิตตน้าต่อค่ะพระอาจารย์มาเติมชาร์จแบตเหมือนกับอย่าอย่าทำทันย่าเลยวันนี้จัทุกธรมนาตานะทุกอย่างวันนี้จังทุกขรมนาตาค่ะพระอาจารย์ได้มาเติมทุกอาทิตย์มีแรงอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีน่นแน่นอนอาปรื่ะมัน่าติ ลองชั่วครั้งค่ะก่อนก่อนมาคืนคืนวันก่อนนี้ฝันฝันฝันฝันเรื่องน้องคุณนะคะว่าเขาตกน้ำแล้วก็ตายหนูก็สะดุะด้งตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วก็แล้วก็คิดว่าอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นบททดสอบจะไหมันยังไม่ปล่อยถ้าปล่อยต้องรู้สึกเฉยเฉยธรรมดา ยังทําใจไม่ได้นะยังยังไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ก็เลยคิดว่าโอ้ยถ้าถ้าถ้าเสียไปจริงๆเราจะทําใจยังไงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ติดมาก็ยังมีกังวลก็มีอยู่สองทางทุกข์หรือไม่ทุกข์จะทำยังแงจะทาให้มันทุกข์ก็ได้จะทำให้มันไม่ทุกข์ก็ได้ก็อยู่ที่เราอถ้าเราเห็นตายแ่างมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เห็นตายแ่างเราก็จะทุกข์อ่าพระอาจารย์ นั่นมันพิจารณาตายลักอยู่เรือยๆทุกอย่างไม่เที่ยงอ่าพระอาจารย์เหลังจากวันนั้นมาก็นั่งนั่งสมาธิแล้วมันมันมันสงบกว่าเดิมนะคะเหมือนกับมันกลัวมันกลัวมาแล้วแล้วหนูก็ไปไปไหว้พระอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารยแ์แล้วก็ก็ลองแล้วก็เราก็นั่งสมาธิกลับมารู้สึกว่าเออมันมันเข้าเข้าความสงบได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้น อาจจะมาความกลัวเพราะอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมโนนัสติมันก็จะช่วยทําให้จิตมันไม่กล้ากล้าพยองเนี่ยมันจะขนองพอคิดถึงความตายเนี่ยมันมันหายขนองเลยใช่ค่ะอาจารย์วันแล้วจิตขนองเนี่ยถ้าเราให้ใช้ใช้ใช้มโนนัสติเนี่ยดีถ้าเชื่อตัวเองเก่งอย่างโน้อย่างนี้เนี่ยให้มันคิดถึงความตายดีกว่าค่ะอืมันจดีดีมากยลย ค่ะพระอาจารย์โทสตโมหะที่มีก็พอพอที่ถึงความตายก็เออจะโกรธไปทําไมเออจะโมโหไปทําไมอ่มาจะค่ะ seven two ดีไปยัง <ขา S 1> <ม>บ่อยบ่ยไยังตระมาณานวัตสิปีบ่อย่อยค่ะทั้งของเราและของคนอื่นใช่ไหมทุกคน<า>เลยทั้งอย่างในโลกนี้เป็นทองไม่เที่ยงถนะึงได้ม<า>ีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเสียงนั้น ย, ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอื ค่ะดวงตาเห็นธรรมอีู่ตรงเนี้ยเห็นตรงนี้ค่ะค่ะอาจารย์ก็้องมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นเป็นธรรมชาติค่ะอาจารย์น้องนาไปปฏิบัติอยู่ที่ที่เราเนี้รับรับได้หรือไม่ได้นั่นไงเรื่องมันค่ะต้องรับได้ถึงจะเป็นธรรมถ้ายังรับไม่ได้แสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่ค่ะอ่ะอย่างอมีงานสอบอย่างเนี้ยค่ะตายายหรือว่าคนที่รู้จัก เวลาเสียไปหนูก็หนูก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจไม่ได้ไม่มีไม่ได้มีน้ําตาก็แค่มองว่าอ๋อก็เขาแก่แล้วเนาะแล้วเขาก็หมดอายุแล้วเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันนั่งคิดถึงต้องคุณลูกตัวเองแล้วโอ้ถ้าเสียไปเราจะคิดได้อย่างนั้นไหมว่าเออมันก็เป็นธรรมดาเป็นอายุอะไรของเขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องแก่ตายเป็นอนตายก็มีเดืนเกิมาวันเดียวตายก็มี เ, เดือนตายก็มีะ <scr> ค่ะพระอาจารย์ต้องคิดให้รักเขาทั้งเขาทั้งเราโดยเฉพาะคนที่เรารักเนี่ยต้องคิดนหนังเพราะมันจะทุกข์มากคนที่เราไม่รักมันไมทุกข์เท่าไรใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะกลับนมาสการนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวพวกนี้ต้องไปทํางานอีกใช่ไหมอ๋อ ประชุมวันที่ยี่สิบเลยค่ะช่วงนี้ก็เตรียมงานค่ะอาจารย์รพักผ่อนนะวันนี้นค่ะอาจารย์อุ้นนึงกับบุ๊กกรุณพิเศษอาสักสองนาทีแล้วกันชั้นๆการนวัสกัดอาจารย์ครับได้ได้ฟังอาจารย์วันนี้แล้วรู้สึกโก้กว่าได้ความรู้เยอะเลยครับอาจารย์ได้บัญญาตเยอะในะวันนี้ไนดะ้ได้บัญญาตดีอยู่ครับอาจารย์เพราะว่า อย่างคนแรกที่จะไปเที่ยวพระอาจารย์ก็ไปเที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาทุกข์ือนเดิมเราจะรอดอย่างนี้นะก็ <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> เราอยู่ที่ไหนเราก็มีความ <c oughs> <c oughs> าก็เดี๋ยวตรงนี้พระอาจารย์ให้ปัญญาว่าการที่เราอยู่ที่ไหนถ้าเรามีสติเราก็จะมีความสุขเองอใช่ <c oughs> ถ้าเราไม่มีสติไปอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมเ็น <c oughs> ทุกชนั้นนะไม่ได้มีปะระโยชนอแล้วคนที่สองที่พระอาจารย์บอกว่าออออื ที ata, ing, si <all> <dr itz> ่ลืมคําบริการพุทโธพุทโธเพราะขี้เกียจไปวิจาระไรอย่ากั่นถ้าก็อาจารย์พูดผมรู้สึกผมเข้ามาฟังจะเป็นไกด์ไลน์อยู่สองครั้งที่อาจารย์บอกไว้ว่าการภาวนาเมื่อเราประสบผลสําเร็จแล้วเราก็ต้องร้องอ๋อเพราะว่าการที่เรามีสติเมื่อจิตมีกําลังมันก็จะมีก็จะต้องเห็นผู้บริการพุทโธพุทโธว่าเป็นใครเมื่อเห็นผู้บริการมพุทโธพุทโธว่าเป็นใครล้วก็ต้องร้องอ๋อคนนี้นี่เองที่บริการมพุทโธพุทโธ มันก็จะเป็นไกด์ไลน์ในการทําภาวนาอยู่ถ้าเรไม่เห็นว่าใครเป็นผู้บริการพุทโธพุทโธก็แสดงว่าจิตเรายังไม่มีกําลังตรงนี้พระอาจันให้ปัญญาอย่างนี้อืแล้วส่วนที่คนที่มีอายุพ่อจันบอกว่าพอให้เจอกันวันพรุ่งน้านั่นหมายความว่าอย่าประมาทเพราะว่าชีวิตมันสั้นในในประมาณในบทเรียนยากนะตรงนี้ครับให้เร่งเพราะว่ามันต้องเร่งทำเพราะว่า คือถ้าเรามีสตินี่คนที่มีสตินี่เขาเวลาเขามีประโยชน์มากว่ากันง่ายง่ายมันพระอาจาร์บอกนั่นแหละถ้าเรายังเห็นเวลาไม่มีใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองนี่แสดงว่าสติเรายังไม่สมบูรณ์แน่นอนพราคนที่มีสตินี่เขาอาจจะเขาต้องใช้เวลาอย่างมีประโยชน์อย่างมากที่สุดโลกมันสดใสยอยู่แล้วแต่เราเราก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่เราไม่เคยสดใสสักทีเพราะเราขาดสติ S <S <an> <S เมื่อเรามีสติแล้วนี่เขาจะขยันขันแข็งมากตามพี่พาอาจารย์เคยสอนเลยว่าเดี๋ยวมันก็ขยันว่าขยันเขามันเองเพราะมันเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในโลกนะครับอาจารย์ก็ ก, ก็ก็จะประมาณนี้นะครับที่วันนี้ที่ได้ฟังนะแล้วก็เรื่องที่เก็แล้วก็เรื่องที่ไปอ่านไปศึกษาเยอะมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันบางที เราแยกแยะยังไม่ทันได้เพราะว่าสติปัญญาเรายังไม่ไม่ดีเนี่ยควรจะยึดในคําสอนของครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักอันนี้คือเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะว่าการมีครูบาอาจารย์ที่ดีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่สําคัญแน่นอนทำตามที่ทครูบราอาจารย์บอกครับก็ดีทําได้ก็ดีทำก็มันจะต้องประมาณนั้นครับเพราะว่าครูบาอาจารย์นั้นสอนดีแล้วแต่ว่าหน้าที่การปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของของผู้ฝัง อืมต้องทํา <Okay. S 2> เอา <Okay. S 2> ดีมากก็ <g ay> จะประมาณนี้ครับอาจารย์ที่พมฟังวันนี้นะอ่าดีมากคนได้ยินได้ฟังควรจะได้ข้อสรุปครับก็ฟังอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเ อ, อวันนี้รู้สึกรู้สึกเราฟังแล้วเราเข้าใจอะไรได้เยอะมากว่าทุกครั้งมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันตกคอนเสก็ได้ฟังมาเยอะนานแนละ้วไม่ค่อยเข้าใจวันนี้มันก็น้องอ๋อขึ้นมานะอ๋อหลายเรื่องเลยนะ ครับก็ฟังจะฟังวันนี้รู้สึกว่าเออเรามีสติพอที่จะฟังสิ่งที่อาจารย์พูดได้มากขึ้นนะครับในปัญญาแยกแยะงแรงนะอะไรผิดอะครับก<ด>็พอที่จะพอที่จ ะ, ะไข้ ค, ควรตามที่อาจารย์แนะนำสั่งสอนได้ประมาณนี้ครับคือหมายว่าเป้าหมายของการปฏิบัติทั้งหมดนี้เพื่อดับความทุกข์ใจนะ่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นเลยครับอาจารย์วันนี้ถือว่าฟังได้ดีมากเลยครับอาจารย์เท่าที่ผมได้ฟังอาจารย์ก็ดี โอ <Okay S 2> <า>เคนาะเอาเวลาหมดนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์แลึงไปที่คุหลาสุดท้ายคุหลากานมัสกา ร, รพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามจากทาง Facebook และ y u ูทูบเจ้าค่ะอ่าอาจารกาบนมัสการพระอาจารย์ครับการทำทานจะทำให้จิตของผู้ทาสงบและจะส่งผลที่ดีในการภาวนาใหม่ครับมันก็จะทำให้ใจมีความสุข เวลาทำบุญทําทานแล้วใจมีความสุขหัวใจมีความสุขแล้นั่งสมาธิมันก็ไม่มีไม่มีนิวงมาคอยขีดขวางเช่นอารมณ์เสียบ้างโกรธใครบ้างอมันจะไม่ค่อยมีคนที่ทําบุญทําทานนี้จะเอาโหสิกรรมจะให้อภัยคนจวไม่เอาเรื่องเล็กเรื่องเล็ก เ, เ, เรื่องน้อยมาคิดให้ปวดหัวคำถามต่อไป ถ้าเราขอของที่ให้เพื่อนไปแล้วคืนแล้วเพื่อนให้คืนมาด้วยความไม่พอใจเราจะบาปไหมครับก็เราไปขอทำไมหรอให้เขาไปแล้วก็จบไม่ควรจะไปขออะไรให้ใครเขาไปแล้วให้เขาไปเลยก่อนจะให้ก็คิดให้ดีก่อนมาให้แล้วเขาก็ถือเป็นของเขาแล้วไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราไปขอเ น, นี่ไม่ถูกครัคถามต่อไป จะเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำสมาธิแล้วเกิดความสงบในที่ที่มีเสียงอึกกระทึกครับอ๋อคนก็ต้องเป็นแบบผ้าหรหันน่นั่งสมาธิในบาได้ก็ว่าเก่งนล้ว嘛คำถามต่อไปจากคุณสุภพรกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันจะเกิดอาการเหมือนเราบังคับจิต ทำให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติรู้สึกว่าหายใจติดขัดและลมหายใจสั้นต้องแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะไม่ต้องไปสนใจละจิตเรามันหลอนมันหลอกเราเองแล้วก็ดูลมไปทำทำดาเฉยๆไปัเองไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกเมื่อมันเซซแง่ปั่นขึ้นมาเหลอกแล้วลว่าแล้วกำลังบังคับโน่นบัครับ น, น, บบนี่มันก็ต้องมีการบังคับบ้างนิดหน่อยจิตถ้าไม่บังคับมันก็จะไหลไปตามความคิดต่างๆ การนั่งมันก็ต้องมีการบังคับบังคับให้อยู่กับลมอยู่กับพุโทโธเนี่ยมันต้องมีการบังคับเป็นธรรมดาเป็นปกติของการนั่งไม่ต้องไปกังวลแล้วเดี๋ยวพอจิตมันมันเชื่อมันก็ไม่ต้องบังคับวมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติไปเองแล้วจิตเป็นสงบแล้วฝรั่ก็ไม่ต้อไม่ต้องบังคับมันรู้หน้าที่ของมันคําถามต่อไปจากคุณธรรมชาติกราบเรียนถามเจ้าคะ่ะ เวลามีอาการปวดไม่สบายตัวเรากำหนดระลึกรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราก็หายปวดเป็นอุปทานไหมเจ้าคะต่เป็นว่าไม่ไม่เป็นไม่เป็ น, ป, นปัญหาเลยก็รู้ว่ามันหายปวดแล้วกันแล้วดู ว, ว่าสามารถทำได้ทุกครั้งหรือเปล่าลองพิสูจน์ดูทุกครั้งว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินเสียทองคำถามสุดท้ายจากคุณอนงนา ลูกยังนั่งสมาธิไม่ได้เจ้าค่ะขอพระทาารช่วยนั่งสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ส ว, สวดเอทิปิโสไปหลายหลาจบตามอายุของเราไปก่อนอายุสามสิบก็สวดสามสิบรอบไปนั่งหลับตาสวดนะไม่ต้องออกเสียงมันก็นั่งสมาธิแล้วก็ใช้การสวดมนต์ไปดูลมแทนพุทโธแทนแทนการดูลมมาก่อนเอาสวดได้สักสามสิบรอบแล้วรู้สึกใจเบาแย่นั่งต่อได้ก็ดูลมต่อไปเลยนะี้เบื้องต้น ส่วนหมดไปก่อนคำถามหมดแล้วจ้ะหมนะ้ี่ยโอเคก็เวลาก็หมดพอดีสลับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจะงออเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจา ร, รณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ